ก็วันนี้มีคนขอให้จัดเมื่อพูดพี่พี่พัดกับพี่สมพรมาจากฟอริดาขอให้สอนธรรมะนิดหน่อยคือไม่ต้องอ่านนะทั้งหมดแจกกวาอย่างนั้นแหละกลับไปอ่านที่บ้านคือเริ่มเนี่ยมันต้องเริ่มว่าศาสนาพุทธเนี่ย เกิดมาชั่วคืนเลยนะจากการตัดสรลของพระ เ, เจ้าเมื่อ 2,607 ปีก่อนเมื่อคืนมันเป็นเดือนที่แล้วนี่แหละที่วันที่17พฤษภาคมแล้วกาพอสอบ ม, มันก็ื่อนไปตามกันธรรกตินะก็เกิดมาพุาทธานี้เกิดขึ้นมาโดยสมบูรณ์ขึ้นเดียวแหละจากการตัดสรลเนี่ยที่ว่าท่า น, านสวยพระมุะสึิมเจ็อาทิตย์เนี่ย คล้ายๆท่านไดเจสแล้วก็สร้างเป็นหลักสูตรออกมาคืออันนี้คืออันนี้ปฏิสุลปสิ่งที่ท่านตรัสรู้เนี่ยก็คือปฏิสุลปบาทและนิพพานแต่ว่าถ้าไปบอกใครเขาปฏิสุลปบาทสิบสองขั้นคนก็กำงห น, นีหมดเลยเพราะมันยากจริงๆไม่ยากเดี๋ยวบบ่ายแล้วเราก็พูดเรื่องนี้ <c oughs> มีชีวอยู่ในนั้นด้วย <c oughs> แต่ว่ามันต้องดูหลักกานี <c> ้ <oughs> คุยกันได้เฉยๆ <c oughs> อันนี้แล้วอีกเรื่องก็ น, นิพพานซึ่ง บางทีคนอาจจะไม่เข้าใจว่าคืออะไรก็เป็นคือเป็นวงจรที่มันดับก็เกิดนิพพานคือสุขที่ถาวรเน่คือไม่ต้องมาเกิดอีกอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าท่านก็เอาสรุปออกมาเป็นอริยสัจสี่คือสายเกิดกับสายดับคือปฏิยาการปฏิยาการคือว่าสายข้อหนึ่งคือทุกคนท่องได้หมดเนยสองสมุทัยเหตุแห่งทุกสามคือการดับทุกคือนิโรธหรือว่า นิพพานนั่นแหละตัวเดียวกันถ้าถึง brasile, นิพพานก็นิโรธแหละก็สี่คือมรรคทางที่ไปถึงความดับทุกข์ข้อสองก็เป็นเหตุของข้อหนึ่งเหตุของทุกข์ก็เป็นเหตุของทุกข์ข้อสี่ก็เป็นเหตุของข้อสามคือมรรคเนี่ยเป็นทางที่จะไปถึงความดับทุกข์นิพพานเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นสายเกิดข้อหนึ่งกับสองเป็นสายเกิดของทุกข์สามสี่เป็นสายดับของทุกข์นะฮะก็คือวงจรเดียวกันคือปฏิสูบทที่มันเกิดระดับไอ อ่ามันก็สายเกิดก็คือท่า ถ, ถึงตัดสรุปปฏิสมบา่ายคือรู้ว่ทุกเกิดมาอย่างไงแล้วก็ตัดมันขาดก็เลยเป็นนิพพานมันก็มีแค่นั้นแหละนะพุทธศาสนาก็เกิดตรงเนี้แต่ก่อนท่นจะออกมาเนี่ยท่านก็เข้าใจว่าหลายคนก็สนิทฐานน้ำนองนี้ว่าเจ็ดสัปดาห์เนี้ยท่านก็สวยมือมือมสุดเพื่อจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมสามารถดึงออกมาสอนคนให้สามารถตัดสรุปตามได้ ก็เลยสรุปคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยแปดปนต่อมาเนี่ยในวันสารหบูชาท่านก็สรุปว่าพุทธศาสนาก็คือสมหลักหลักสามข้อที่เป็นหัวใจเลยนะเป็นคอเป็นฮาร์ดของบูดาซึ่งคือหนึ่งหนึ่งไม่ทำความชั่วทั้งปวงด้วยการรักษาศีลนะฮะสองอคือการทำความดีทั้งปวงรวมรวมถึงการบริหารจิตคือ m า d d ้แ l บเหมือ เพื่อให้เกิดสมาธินั่นเองข้อสามก็คือทําใจให้ฟองแพ้วด้วยการทําวิปัสนานาทําวิปัสนาเพื่อให้เห็นความจริงที่แท้จริงคือใจรักเนี่ยทําไมทาไมเวลาจัดสรุปทําไมเห็นไม่เห็นพูดถึงใจรักเลยทำไมเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เรียนตรนเราเรียนแค่แค่นั้นอริยสัจสี่แต่มันซ่อนอยู่ในข้อแรกคือเมื่อกี้ก็สวดอัญจุปาทานกันธาทุกขาก็คือ ขันห้าคือเราค่อยพูดต่อกันพอลากไปแล้วมันก็จะยืดขันห้าคือกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคือชีวิตหนึ่งเนี่ยมันประกอบไป5้าส่วนเนี่ยถ้าเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทุกข์แต่ละตัวถ้าเราไปยึดมันรูปเราเนี่ยผมหงอกฟันหักเราก็ยึดแล้วก็เป็นทุกข์เหมือนกันทำนองเียกัความสุขที่เรายึดมันอะไรทำนองนี้นะก็ทั้งหมดเนี่ยก็อยู่รวมอยู่ในวิปัสสนา คือจะเน้นเรื่องขันห้ายะตนาหกทำไมยังเป็นอย่างนั้นเราจะค่อยพูดต่อไปอันนี้ท่านก็คำอัพเวิร์ดท่านก็สรุปรวมเนี่ยคือข้อหนึ่งสองนี่มีในทุกศาสนาข้อสามนี่มีเฉพาะพุทธคือเพราะมันทำให้เห็นอนัตตาซึ่งหพ่อชาท่านบอกว่าคิดจนหัวแตกก็ไม่เข้าใจหรอกอนัตตาเนี่ยมันต้องเห็นด้วยจิตให้เห็นเลยยอมรับจิตมันยอมรับถึงแมแล้วก็รู้ ตายกายนี่เราก็รู้อยู่ว่าเออท่านสอนมาวันไม่ใช่ของเราแต่มันไม่ปล่อยมันไม่วางนะโดยเฉพาะความคิดนี่มันไม่มันเหนียวแน่นมากความคิดเพราะนั้นท่านก็วางหลักสูตรวิธีง่ายๆที่จะให้เห็นชีวิตก็คื อ, อสติปัฏฐานสี่เป็นสูตรสาเร็จเลยล่ะมีเฉพาะของพุทธด้วยนะฮะสติปัฏฐานสี่คือว่าให้ดูที่ตัวเรา ตามดูรู้ทันห ร, หรือหรือภาษาอังกฤษให้ง่ายๆคือ self observation self monitoring ของของกายเวทนาจิตธรรมกายก็คือกายคือรูปเนี่ยในกานหน้าเวทนาก็เวทนาตัวเดียวกันความรู้สึก feeling นะฮะไม่ได้แปลว่า emotion feeling เป็นความรู้สึก basic เช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงหย่อนแล้วก็จิต ก, ก็คือ วิญญาณในการห้าวิญญาณจิตหรือมโนในตัวเดียวกันแล้วก็ธรรมก็คือทุกอย่างเนี่ยสังขารรวมถึงใจรักอะไรทั้งหมดเนี่ย ข, ข, ขันห้าทำงานกันยังไงยะตะนาหทํางานกันยังไงที่มันป้อนให้ขันห้าแล้วก็ทําให้เราเกิดทุกยงง อ, อย่างยังไงอะไรเงี้ยมันก็รวมอยู่ในนั้นกันได้จะบอกว่าทิ้งจะมีว่านิวรห้าที่เป็นอุปสรรคไม่ให้สมาธิเกิดขันห้ายะตะนาหก นะฮะตาวุมุลนี้กายใจภาชนิเสนโคดชงเจตแล้วก็อริยสัจสี่นะฮะก็รวมอยู่ในนั้นเป็นธรรมเป็นตัวอย่างเท่านั้นเน่ยจริงธรรมมันก็ทุกอย่างในธรรมชาติแต่มันไม่ใช่แค่นั้นหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าคือที่สุดของธรรมชาติไม่ใช่เฉพาะธรรมชาติที่สุดนะสรุปไม่ง่ายคืออริยสัจสี่ที่สุดของธรรมชาติมันก็ไม่หนีจากเนี้ยสายเกิดกับสายดับของทุกข์นะฮะมันก็มีแค่นี้นคือสิ่งที่รู้พุทธาตรัสรู้ สติปัฏฐานสี่ก็เป็นสูตรสาเร็จถ้าทํำยังไงเราจะพูดกันตรงนี้เพราะว่าจะได้วางหลักไว้คือสติปัฏฐานสี่ก็ท่านจะเน้นตั้งแต่ต้นสูตรเลยว่าอาตาปีสัมปชานุสติมาอาตาปีก็ทําความเพียรเท่งเผากิเลสคือุริยะคนี่แหละสัมปชานก็เป็นสัพพัญญะหรือความรู้สึกตัวสติมาก็สติสามตัวนี้จะประคองอยู่ตลอด อาตาปีสัมปชัโนสติมาต่อกายเพื่อจะระ ง, งับอภิชาและธงมณะเกิดความยินดียินร้ายพอนอเราไปติดปั๊บมันก็เกิดยินดียินร้ายในกาย mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ให้มีอาตาปีสัมปชัโนสติมาหลักมันอยู่ตรงเนี้แล้วก็อาตาปีสัมปชัโนปติมาที่เวทนาที่ความรู้สึกแล้วก็อาตาปีสัมปชัโนสติมาที่ใจแล้วก็ สุดท้ายอาตาปีสัมปชันุนสติมาที่ทำคือมีความเพียรเพ่งเผากิเลสด้วยด้วยสติและความรู้สึกตัวที่กายที่เวทนาที่จิตที่ทำเพื่อจะตัดความยินดียินร้าย Negative positive feeling มันตับมาสู่ neutral feeling neutral feeling หมายว่ารวเราวางอยู่ตกไม่ได้ว่าอยู่ตรงกลางระหว่างยินดียินายหมายว่าเราเห็นว่ามันเกิดมายัางไง เกิว่ามันคือปฏิวงจรปฏิสุบะมันลาก่าอย่างนั้นมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันเลยต้องอยู่ตรงกลางเพราะว่ามันมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันต้องเช่นเช่นว่าอนนีอวิชชาไม่เกิดสังขารคือมันปรุงแต่งจิตเนี่ยเกิดวิญญาณปรุงแต่งมโนวิญญาณมันทำให้เกิดวิญญาณนามรูปต่างๆได้เกิดนามรูปก่อนแล้วก็เกิดอริย تنا ต่างๆเกิดเป็นวงจรปฏิสุบะมันก็เป็นทางสายกลางเพราะมันเลี่ยงอย่างอื่นไม่ได้เพราะมัน specific cause and effect แล้วตัวมันก็จะเป็นข้อของคนอื่นก็นไปเป็นลิงก์ที่เราจะพูดตอนบ่ายวันนี้มันจะหนักไปอันนี้กลับมาสติปติฐานสี่เนี่ยเราทําเพื่อจะได้เห็นชีวิตเราเพราะว่ามันคือนิวาสชีวิตเรานี่มีนิวาสนิวาสก็รู้ไปว่าที่อยู่นะที่อยู่รอ้เรามีเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมจริงๆก็คือรูปเวทนาสัญญาทังกายวิ ญ, ญญาณอย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วกายก็คือเราดูรูป รูปเราเราก็ดูที่กายเวทนาก็ดูที่เวทนาจิตก็ดูที่วิญญาณไอ้วิญญาเราดูที่จิตแต่ธรรมนี้ก็ดูสังขารากายเวทนาจิตธรรมเราดูที่แต่ว่าทําไมสัญญาหายไปไหนสัญญาสัญญาก็คือสติสัมปชัญญะคอารู้สึกตัวเป็นสัญญาบริสุทธิ์คือเรารู้ซื่อพระเจ้าพระรู้ซื่ อ, อรู้ในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมนี่ย ก็จะทําให้เห็นว่าชีวิตเราเป็นยังไงมันเกิดการปฏิกิริยากันยังไงมันเกิดทุกข์ขึ้นมาได้อย่างไงก็สรุปเนี่ยมีหลายแห่งหลว ง, ลงปู่ดูลนกับหลวงพ่อเทียนจะสรุปว่าหลวงปู่ดูลนก็พูดว่าคนสมัยนี้ทุกข์เพราะความคิดก็ยิ่งมันก็ทุกข์สมัยแล้วแต่หลวงพ่เทียนนี่ยจะบอกชัดเจนว่าคนเราทุกข์เพราะความคิดนะครับแม้แต่พระสัจจา ก, ก็พูดนะ สเพสังขาราทุกขาสังขารนี่มันก็รวมสิ่งปรุงแต่งทั้งหมดคือคอมโพสิตสิงนะหรือคอนดิชันสิงมันรวมทุกอย่างคือในจักรวาลนี่ทุกอย่างเป็นคอมโพสิตสิ่ย้นยกเว้นนิพพานซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบนี้มันนอกระบบไปแล้วนิพพานเป็นวิสังขารไม่มันไม่ปรุงแต่งมันปราศจากปรุงแต่งแล้วจะตัดมาพูดตรงนั้นใครสงสัยต่อตอนนี้ ตอนนี้ก็เราเราเราทำตรงนี้เพื่อจะเป็น reverse engineer กลับมาเห็นว่าความคิดมันเกิดยัง ไ, ทไงทำไม่ไงทำไม่ทำให้เราทุกข์เพราะว่าเรารักคิดพอคิดพับมันก็มันก็ปรุงแล้ว่ะความคิดที่ไม่ปรุงนี่หายานอกจะเป็นพระราหารันเป็นกิริยาทำเพื่อจะให้มันสำเร็จจุดประสงค์มุ่งหมายให้เขาพ้นทุกข์หรือว่าตัวท่านพ้นทุกข์แล้วสงานเพื่อคนอื่นนะฮะให้คนอื่นเขาพ้นทุกข์ด้วย เพราะนั้นก็การทำของท่านนี้ไม่มีฮิตเดนเชนดาไม่มีสิ่งแอบแฝงซ่อนเลยตอนนี้จะเห็นมากเมืองไทยเนี่ยมันพูดด่ากันตลอดเลยในสบในสภาเ <c oughs> ช่นกันตอนนี้จิตบัญชีเพราะนั้นกทน็ท่านบอกว่าสติปัะฐานสี่เนี่ยเป็นทางสายเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้ดับเพื่อให้ก้าวล่วง โสกปริเทวะความโศกความเศร้าพิไรลำพันธ์เนี่ยแล้วก็ให้ก้าวล่วงทุกทมอนักนี่ฮะและให้ถึงซึ่งยายะธรรมคือธรรมสมควรก่ธรรมธรรมที่ปฏิบัติแล้วจะได้เห็นเห็นผลคือมรรคแปดนี่แหละในทางสายกลางนี่จะเห็นผลคือนิพพาน้บรรลุซึ่งนิพพาน ค, คือคือความหลุดพ้นที่ถาวรเพราะนั้นท่านถึงสรุปตรงนี้เป็นหัวใจจะสอนอยู่เฉพาะในสายของเรา สายเทราวาสเนี่ยอางสายเซนเนี่ ย, ยเขาจะลืมไปแล้วเริ่มสติครับผมสายก็ไม่มีพวกพวกทิเบตเขายังมีบ้างแต่เขาบอกไม่ใช่จุดสูงสุดมีม l n ฟ s s เขายังมีขึ้นไปอีกสองขั้นมีที่อื่นอีกแต่ของเรานี่หัวใจคือเนี่ยสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวมันก็คือตัวความรู้เพราะรู้โดยปัจจุบันเช่นเวลาคุณที่เดินทางมาเนี่ย ต้องผ่านอะไรผ่านด่านก่อ tsa tsa มันดึงเข้ามาจนนั่นตัวดึงสติแต่ที่ะคนอยืนอยู่ะจะถึงเวลาเขาประกาศขึ้นเครื่องบินอ้าวยังไม่ได้เข้าไป tsa tsa มันก็ดึงเข้ามาทุกคนต้องไปออดงนั้นคนะือสติมันไม่ใช่เป็นเพ่นพ่านอยู่มันจับจับความคิดเข้ามานะให้ให้สติดูแต่มันมันวิ่งผ่านไปเนี่ยความคิดผ่านเราเป็นวันหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะคิดแป๊บหนึ่งความคิดหนึ่งนี่ประมาณ จุดหนึ่งวินาทีนะร้อยถึงร้อยห้าสิบมิลิวินาที่มันฝรังคุยกับพี่ถ้าไม่เชื่อมาบอกหารูปเซลฟี่ที่ที่แล้วที่ถ่ายกันโอ้โหขึ้นมาร้อยรูปนี่ไม่ถึงสิบวินาทีนั้นหนึ่งรูปนี่ไม่ถึงจุดหนึ่งวินาทีไ แ, แต่ละภาแต่ละรูปนี่มันความคิดหนึ่งน ะ, นะจริงไหมเดี๋หารูปจนเจออ๋อฟ้าจะไปถึงปีที่แล้วเงี้ย ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าความคิดมันเร็วมากดันั้นการนี้มันก็ทําให้เราจับความคิดได้ทันด้วยสติความรู้สึกตัวครวนี้สติมันก็เป็นทึ้งอารมณ์ตัวมันเองเนี่ยมีอุ ป, ปการณมากแต่ว่ามันไม่ระ ง, งับเวรเพราะมันก็จับไว้ทั้งนั้นมันทำอะไรไม่ได้อย่างคนที่ก็จับมาเข้าแถวเนี่ยก็เหมือนสติ <Yeah. S 1> เนี่ยก็บอกให้ผ่านไปช่องนี้แต่เขาทําอะไรไม่ได้จนกระทั่งเราไปถึงให้ตัวสัำพัญญะมันเอาตัวเราเนี่ยไปตรวจสอบเข้าเอ็กซเรย์ เท่มามอนิเตอร์บอกโอ้นี่คุณมีอะไรเนี่ยซ่อนมาเนี่ยมีดหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าถ่านเนี่ย ม, มีลิเธียมแบตเตอรี่มาลิฟเลยหรือมีน้ำซ่อนออเบบโดยงวกมใจโวนเก็บขวดสาเกที่หาไม่เจอมันหาเจอ <c oughs> แล้ยิ้มเดินยิ้มกลับไปอฟอฟเพราะมันมีมันมีมีปัญญาความรู้สึกเป็นปัญญาเฉพาะหนะ้า แต่สามารถพัฒนาขึ้นเป็นปัญญาที่ที่เป็นตัดสูได้ตรงเนี้ตัวความรู้สึกตัวนี่เป็นเป็นตัวที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นเป็นการรู้ซื่อเนี่ยการรู้ซื่อทําให้เราเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงก็เห็นว่ามันเป็นใจรักอันนี้จังทุกทางอนาตานะทุกอย่างมันแปรเปลี่ยนแปลงมันเกิดช้าแล้วไม่เราไม่เห็นเรือมันเร็วมากจนเราไม่รู้เพราะฉั้นมันก็ทําให้เราเห็นชัดเพราะสติมันตามมาทันทำให้เราทำงานได้รวดเร็วเราสามารถรู้มันก็สามารถจับความคิดได้ โอ้เมื่อกี้มันละโมจะคิดเนี่ยโอ้จังวลถึงเรื่องนี้โอ้ลืมทำโน่นลืมทํานี่ที่จริงมันต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหยนะโอมอะไรนั่นก็ใจมันก็หลุดไปมันก็ใจลอยมันก็ใจลอยขาดสติเพราะฉะนั้นเราก็ดึงสติมาเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาฝึกเรื่องสติแล้วก็ความรู้สึกตัวของพูดนี่พพูดถึงสติหมายว่ามีความรู้สึกตัวซอดสอดแทรกอยู่ทุกอันนะไม่ใช่ว่าสติอย่างเดียวสติอย่างเดียวเนี่ย การโควิดเห็นมาณัฐที่เป็นครูผมเนี่ยท่านเพิ่งเสียไปท่านบอกว่าคเคยมีครูสอนให้ท่านเอาสติจับเออารมณ์ไว้ท่านบอกยิ่งจับมันยิ่งหนักขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันตึงอารมณ์ไว้แต่มันท่านบอกว่าสติมีอุปกราระมากคือทําให้เกิดสมาธิอย่างสมมติในมุสลิมทำเนี่ยเพ่งมือเวลาทำหลวงพ่อเทียนเนี่ยเพ่งมือคุณก็จะรู้รแต่เหมือนั่นคือตัวสติแต่ไม่มีความรู้สึกตัวควารู้สึกตัวคือตัวนี้ ลองยีใช่ไองยียีนิ้วเนวรู้สึกตัวตัวนี้คือเป็นตัวปัญญานะเนี่ยเราแตะตรงนี้สิบนิ้วเบาๆคลึงคึงเบาๆเอาเอ า, เอาพัชหน้าออก <c oughs> ตัวบาเพราะมันไม่รู้สึกไม่มีความคิดนะมันมีแต่รู้สึกอย่างเดียวรู้สึกตัวเป็นตัวปัญญ า, าในในตัวความรู้สึกตัวนี้จะมีสติอยู่ด้วย แต่สติตัวมันเองเนี่ยไม่มีไ ม, มไม่มีความรู้สึกตัวไม่เสมอไปแต่ในพุทธนี่จะเน้เนทั้งสองอย่างคือว่าถ้าพูดถึงสติมายว่ามีความรู้สึกตัวซ่อนอยู่เลยแซ่สอนแท้มาเพราะว่าท่านทั้งโควิดนี่ก็ทําอย่างนี้อยู่ทัดพักปวดหัวหนักมากก็เลยได้ความคิดว่าสติเนี่ยมีอุปการะมากทาให้เกิดสมาธิจริงแต่มันระ ง, งับเวรไม่ได้คือไม่มีปัญญามันก็จะหนักหน่วงไปเรื่อยๆแล้ ว, ล ว, ลวไม่เกิดอะไรมันก็เกิดแต่พลังงาน ความปวดหัวหนักง่วงไม่เกิดอะไรเนี่ยจะเริ่มทำเลยดีกว่า <laughs> เดี๋ยวอย่าง่วงอันนี้เป็นตัวอย่างคนาะอย่าถือว่ามันไม่มีความหมายนะมีแมมมคนหนึ่งผมไปเจอที่เวลาประชุมสัมนาศาสนาสัมพันธ์เนี่ยเมื่อสิปีก่อนเนี่ยเขานั่งแถวหน้าผมอาหารมาบอกไอโ o ยูบ u ดยูด o นโน n ีไอเคมทูยูร์เ o นโฟทูยีเอ e ์สก a อนนะแต่ยู t i l l do this อ่าอะไรเขารู้ค่านะทำไมเราเราเป็นคนไทยไม่ไม่รู้เอ่อเป็นเป็นต้นต้นเขาเป็นพี่ใหญ่ด้วยทําไมเราไม่รู้เอ่อนั้นก็เนี่ยเป็นวิธีปลุกความรู้สึกตัวทุกคนมีสิ่งพวกนี้เองกำทูตัวเนี่ยเรามีความรู้สึกตัวนะแต่ว่าเราลืมไปคือวิธีที่ดูกายก็มีหลายวิธีเช่นอนาปนาณสติอา่าซึ่งทุกคนรู้จักตั้งแต่พุโทโธแต่จริงจริงมันมีสิบหกขั้นนะไม่ใช่แค่พุโทโธ เมื่อก่อนก้นกนั้ก็มีแค่นั้นยงมันมีสิบหกขั้นคือถ้าทำครบสิบหกขั้นจะเป็นกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็เราเริ่มทําดีกว่าอันนี้ก็มีสองก็ดูยืนเดินนั่งนอนนี่เรานั่งอยู่แล้วก็สคือสัมปชัญญะปัฏะคือวิธีที่เราทำเนี่ยคือวิธีของเราพระเทียนคื อ, อวิธีทำความรู้สึกตัวเรก็สัมปชัญญะปัฏยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าจะพูดตามนี้แล้วก็พระสาวกก็พูดตามนี้ คือว่าให้มีความรู้สึกตัวประดาบาิีเล็กกว่าสมัมปันยะเวลาเดินหน้าหรือถอยหลังเหลียวซ้ายแลขวาคุกเข้าเหยียดออกคือวิธีองพระเทียนคุกเข้าเหยียดออกแล้วก็ทรงบาทสังคติและจีวรคือพระทั้งก็รแต่งกายคารวาก็คือแต่งกายธรรมดาเนี่ยแล้วก็กินดื่มเคี้ยวลิ้มรสก็รู้สึกตัว ถายอุจจาระปัสสาวะก็รู้สึกตัว ย, ยืนเดินนั่งหลับคือยืนเดินนั่งนอนเนี่ยก็รู้สึกตัวตื่นก็รู้สึกตัวพูดก็รู้สึกตัวนิ่งก็รู้สึกตัวนิ่งนยิ่งยากให่เลยอยากจะพูดไม่เราพูด <c ười> อยากจะถามไม่เรา <c ười> อะไรอย่างเงี้ยเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านยกมาทํำไมท่านแยกออกมาจากจากยืนเดินนั่งนอนเพราะมันละเอียดกว่าและการทําความรู้สึกตัวที่ละเอียดกว่านี้ มันทำให้เกิดสัมปชัญญะมากเกิดควารู้สึกตัวมากท่านถึงแยกออกมาจากตัวสติเอีอยยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนแล้วอย่างอื่นก็มีอันนี้ทั้งสามันแลกเป็นดูการการการเคลื่อนไหวอนาภาษิตก็คือดูการเคลื่อนไหวของลมหายใจเข้าออกความละเอียดอ่อนสั้นยาวอะไรอย่างเงี้ยทําให้ปรุงแต่งกายอย่างไรเป็นต้นอยียยาบทก็เดินยืนนั่งนอนมันก็เคลื่อนไหวอยู่แล้วแล้วก็สามัญญาประภะก็คืออียยาบทย่อย อันนี้ที่เหลือก็เป็นคล้ายๆต้องพิจารณาเช่นดูธาตุสี่เรามีของแข็งของเหลวถ้าดินน้ําลมไฟของแข็งน้ําก็คือของเหลวเช่นน้ําตาน้ําหนองสเลดเนี่ยแล้วก็น้ำํำลมก็คือแก๊สในที่เราหายใจเนี่ยลมหายใจหรือว่าแก๊สในตัวไฟก็คือความร้อนในร่างกายเมตาบอลิทีหรือว่าอันนี้ก็เป็นอันนึงแล้วก็เป็นสังเคราะห์คือว่า เอามารวมกันสังเคราะห์ถ้าวิเคราะห์ออกมาก็เป็นปฏิกูลสัญญาเช่ น, านาอากา ร, รสายสพตผมคนเล็ดบนหนงังเนื้อเอ็นกระดูกม้ำตับปอดหัวใจอะไรเงี้ยสายเสพสองเป็นตัวอย่างที่นั่นออกมาคือรวมแล้วใกล้อวัยวะสาสพสองที่มันมันก็ไม่ไม่ตรงหมดนะมันก็มีแต่ละระบบที่ทํางานอยู่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นย่อยออกมาแล้วก็สุดท้ายก็คือนวสีว่วติการคือว่าไปดูปัตชาก้าวซึ่งเดี๋ยวนี้ดูไม่ได้แล้วเขาเก็บศพไปแล้ว ถ้าไปอินเดียจะเห็นรอยมาหรือว่ากระเพราอยู่เี้แต่ถ้าไปปา่าช้าประชาดิบก็ ม, มีคนที่เขาเพิ่งตายใหม่ๆสมัยก่อนก็นจะไปวางศพหรือห่อผ้านิดหน่อยจะมเงินมันก็เห็นศพอืดอย่างเงี้ยเห็นว่าเพราะเรตัวเราเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเราจะเป็นไงต้องไปดูตัวอย่างต่อหน้าเราเพราะ้นสามัญหลังนี้มันเกี่ยวกับพิจารณาเห็นความเปลี่ยนแปลงคือเห็นใจรักวันนี้จะเน้นเรื่อง แต่ปัญญายาบพระโดยเฉพาะวิธีหลวงพ่อเจียนคือดูอยาบทย่อยบางคนหลายคนเคยทำแล้วหรือว่าไม่เคยก็เริ่มใหม่ก็วางมือไว้ที่ที่ที่ที่ข่าก็ได้ถ้าเอาก็ี่ถอยไปจะได้จะได้มีมีรูมมีมีมีสเปซนะฮะวางไว้ที่ที่ที่หัวเข่าที่ตักนสองมือแล้วก็จะจะ ถูหน่อยก็ให้รู้สึกตัวก็ได้เอ่อตั้งตะแคงมือขวาขึ้นรู้สึกยกขึ้นมารู้สึกมาที้งอ้าท้องอสศดือก็รู้สึกมือขวาก่อนนะครับมือซ้ายเทมซิงเดียวกันขยับมือขวาขึ้นยิงมือขวากลว้มือขวาลงค้ามือขวาลงมือซ้ายยึงขึ้นแอบรอบๆอีกแล้วมือขวาเริ่มใหม่ ทำไปเรื่อยๆนะครับถ้าผิดก็เริ่มใหม่ไม่เป็นไรไม่มีอะไรผิดเป็นวิธีที่เราหลอกให้จิตอยู่กับตัวเราให้รู้สึกไปด้วยนะฮะถ้าทาไปตามาเพศของตัวเองจังหวะของตัวเองไม่ต้องตามกันทําโดยการลืมตานะฮะอย่าหลับตาเพราะเราจะไปจะได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันน ะ, ะเพราะชีวิตประจําวันเราขึ้นไหวตลอด พี่ประกอบ ต, ต้องทําด้วยนะเขาจะถ่ายรูปโอเคก็ไปก็ทํำไปอย่างเงี้ยมันไม่ยากอ่ะแต่ ท, ำทำําทําโดยอย่าไปเพ่งมือนะฮะแล้วไม่ต้องรู้ซ้ายขวาด้วยเพราะแน่พิธามจะบอกว่าการรู้ซ้ายขวาด้วยก็สมมติบัญญัติเราก็รู้ใช่ไหมเมันไฟแดงไฟเขียวนี่ก็เป็นสมมติบัญญัติแล้วตัวเราเนี่ยซ้ายขวาก็เป็นสมมติแม้นนกระทั่ง รู้ว่าเป็นแขนเป็นขาเขายังบอกเป็นสมมติบัญญัติเลยถ้าเป็นวิปัสนาจริงๆอะเห็นจริงๆก็เป็นก้อนก้อนตัวเราเนี่ยมันเคลื่อนไหวอยู่เหมือนเป็นคนอาบน้ําแล้วรู้สึกตัวเราเป็นเป็นก้อนเป็นท่อนแขนท่อนหนึ่งเห็นเห็นเหมือนกับฟืนท่อนนึงอาบน้ํามาโดนท่อนท่อนตัวแล้วยังไม่มีซ้ายขวาแล้วตอนนั้นไม่มีผู้หญิงผู้ชายเขาบอกว่าพูดอย่างนั้นเป็นสมมติบัญญัติวยอันนี้ก็เป็นการทําอันเนี้ย ทำไปเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดน้าเร็วไม่เป็นไรให้รู้สึกไปด้วยรู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวไม่ต้องเพ่งที่มือถ้าเพ่งที่มือทําไมคุณก็จะได้แต่มือรู้แต่มือใกล้ๆก็รู้มือก <c> อ <oughs> ไม่ต้องมาทําก็ได้แล้วมันเหมือนที่จาง ก, กวีศ์บอกสติก็คือสติที่ไปเพ่งมือเนี่ยมันหนักหน่วงมันระ ง, งับเวรไม่ได้ไม่มีปัญญาไปพูดเป็นประสาทเส ม, มอระ ง, งับเวรไม่ได้มันไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นให้ให้ดู เหมือนเราเรารสึกธรรมดาเนี่ยมันดูห่างๆแต่รู้ว่ากายเคลื่อนไหวอยู่ทาไมเรารู้ได้อ่ะเพราะว่าใจเรารู้เมื่อมันเทรนใจใไงมาถ้าถ้าใจลอยเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกตัวใช่ไหมนี่เป็นวิธีที่แบบเราอยู่กับตัวเรานะใจไม่ลอยแล้วตอนนี้เป็นวิธีหลอกให้มันอยู่กับตัวเราไอ้วิธีนี้มันไม่ไม่มีความหมายแต่จะไปทําที่แอร์พอร์ตเนี <c oughs> <c oughs> มีใครคนไทยก่อนก็รอก เครื่บินดีเลยแล้วก็กรเทาอย่างเงี้ยตอนกลางๆไอ้คนนี้มันท่าทาไม่เต็มที่แอปคุณก็คลึงนิ้วก็ได้นะจะทําไปเรื่อยๆเนี่ยหรือกระดิกเท้าก็ได้รู้สึกตัวไปอย่างนี้ก็เป็นวิธีที่เท่ารู้กายภายนอกด้วยการเคลื่อนไหวรู้กายไปยในรู้ได้ไงคุณนั่งอยู่แบบนั่งรู้มันนั่งเป็นวิธีอ่ะรู้กายภายในด้วยกัน ภาษาพระไอภาษ า, ภาแพทยเขาเรียกว่า proprioceptive sense นอะย่างเชนคือเราไม่ไม่เห็นน่มืดมมมแต่เรารู้ว่าเรากำลังเดินไปห้องน้ำเราไม่ไม่ล้มละเพราะเรามี proprioceptive sense เรารู้ว่าเรากาลังเดินตรงไปทางเนี้ยเป็นแสงสลัวลเนี่ยก็เดินไปถู ก, ถกไม่ล้มนะเราทรงตัวถูกอันนี้ก็เป็นรู้ทั้งภายนอกด้วยการเคลื่อนไหวเนี่ยรู้ทั้งภายในคือตัวเรา รู้ไปทําไมเพื่อจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่กายเอยาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ตัดไปเส้นยกมือนี่ ก, ก, ก, ก็เนี่ยยกแล้วก็หยุดยกแล้วก็หยุดเนี่ยก็เสมือนเป็นการเคลื่อนไหวของกายการเปลี่ยนแปลงที่กายแบบรวดเร็วนะพราเราเคล่นจังหวะหนึ่งวินาทีหนึ่งเรารู้สึกหนึ่งครั้งนะแต่ละครั้งนี้เราเตะหนึ่งวินาทีเรายกขึ้นหนึ่งครั้งก็รู้รู้หนึ่งครั้งเนี่ย บางที่ก็รู้ตั้งหกสิบครั้งเลยแค่มองรู้ตั้งเท่าไหร่สามร้อยหกสิบสามพันหกร้อยเนี่ยเอ้ยไมได้เลยสามพันหร้อยค่ะแมงวันนี้ก็รู้ได้หลายครั้งถ้าเรารู้สึกตัว ต, วตวลอดเลยแหละเนั่องเขาอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้จะรู้ทั้งภายในภายนอกอย่างเงี้ยก็เพื่จะให้เห็นความเปลี่ยนแปลง ท, ที่ที่เกิดขึ้นที่กาย กายก็เลยเป็นเครื่องมือเป็นทูอ่ะกายเป็นเครื่องมือให้เราสามารถระลึกรู้นะเกิดความร ะ, ะลึกระลึกรู้สึกตัวออ่เกิดความระลึกรู้คือ k n o น l e เลจแล้วก็มีมายโฟลิ a อเว e อรู้ว่ารู้ที่กายนะจะเห็นสภาพที่แท้จริงของกายว่ามันไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาคือว่าเป็นปสาษาพระคือว่า มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราด้วยนะเราเลยเล่าว่าเป็นตัวเราจริงๆมันไม่มีนะมันเป็นสัตว์เพราะว่าเราสมมุติเหมือนนี่ชื่อคงสัตวิ์นะอย่าให้ขั้นมาลาแก้มาทุบหัวเราไม่ได้นะมันต่อสู้หรือว่าเรงอาศษาตัวหลบไปที่อื่นอันนี้ก็เป็นให้รู้ว่าความจริงๆแล้วมันกายเรามันไม่มีสัตว์ตัวตนบุกแล้วมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะมันก็เลยเป็นอนิจจังทุกขังนัสตาถ้าเราดูลึกๆก็จะเห็นนะ แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงช้ามันก็เลยเห็นยากนะนี่ก็เป็นวิธีสร้างยังไงเพื่อให้จิตนี่มันอยู่กับอยู่กับกายเนี่ยเมื่อเมื่อ <câ> ร <owania> ู learn, ้อย่างงี้รู้รู้รู้หนักเอ้ใกล้ลึกเข้าไปเนี่ยมันจะเขาเรียกวางตัณหาและทิฏฐิตัณหาก็คือเหตุแห่งทุกขทิฏฐินี่มันก็เยอะแบบวันนี้สภานี่ทิฏฐิเยอะประธามันใช่ที่นี่ก็มีคุณก็เห็นนะ ทำเดโมแครตริฟติกะนัน่นก็คือทิฏฐิเราอย่างทิฏฐิเห็นทุกวันเลยแม้กระทั่งความคิดเราเนี่ยเราก็บางทีัวชมฝ่านะไม่ยอมเลิทิฏฐิเราตรงนั้น ถ, ถ้าเราวางได้มันก็มีเป็นไม่ยึดไม่ยึดกายแล้วก็ไม่ยึดสิ่งใดๆในโลกก็เป็นวิธีทําให้เราลดทุกข์หรือปลดทุกข์ได้เมื่อเรารู้กายที่กายคุณนใหก็จะแปลว่ารู้กายในกายเอ๊ะเป็นยังไงเรารู้กาย รู้กายที่กายเนี่ยเป็นตัวอย่างรู้กายที่กายนะใช้การเคลื่อนไหวใช้การเคลื่อนไหวของกายเนี่ยเป็นเป็นที่รู้ของกายนะเป็นเครื่องมือในการรู้กายในขณะที่เรารู้สึกตัวเนี่ยในที่มือเคลื่อนไหวเนี่ยก็ดูท่านี้ดูเวทนาละารู้สึกรู้สึกยังไงรู้สึกภายนอกและภายในนะภายนอกก็คือยงไงที่กายเนี่ยรู้สึกที่เออสบายโอ้ลมเย็นดีนะ เดีวจ็คเริ่มร้อนไม่ค่อยสบายนะอะไรเงี้ยมันอุ่นขึ้นมาเรื่อยๆแจ็คไม่ค่อยสบายเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปแล้วอลเออทำแล้วเป็นเสอเออสบายกันแล้วเออลมโกรแล้วพัดลมพัดเป่าเออเย็นสบายกันแล้วมันก็เปลี่ยนไปมาอย่างเงี้ยแ้าดูลึกเข้าไปก็ดูที่ข้างในข้างในก็คือที่ใจที่ใจเราสุขหรือทุกทำแล้วสบายแล้วแบบหรือว่าโอ้กังวลเรื่องนั้นน้องนี่อ่านมันก็ไม่สบายมันก็ทุกข์ขึ้นมะหรือว่ากลางๆ สุขเป็นกางกลางก็ได้เพราะฉะนั้นจะรู้สึกส่วนใหญ่ก็จะพูดแค่สุขและทุกข์แล้วก็กลางกแต่เราสามารถรู้ออกมาภายนอกเช่นที่ว่าความสบายไม่สบายกายแล้วก็ความสบายหรือไม่สบายใจก็คือสุขและทุกข์หรือกลางๆ ก, ก็เป็นทั้ง ก, กายภายนอกและภายในแล้วสามารถดูได้ว่าสุขที่เกิดนี่มันเกิดเกิดขึ้นที่ใจของมันเองหรือว่าเกิดเพราะว่ามีสิ่งข้างนอกเนี่ยม า, มากระตุ้นเหมัน ต้องอาศัยรูปรสกลิ่นเสียงแล้วเป่าหรือว่าการสัมผัสเช่นต้องอ า, อาศัยกลิ่นหอมนะหรือว่าหรือว่าต้องอาศัยอาหารอร่อยอร่อยอะไรเงี้ยมันถึงจะเกิดความสุขเป็ความพอใจแต่จริงๆมันมันไม่จําเป็นอย่างนั้นนะที่ใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเองนะไม่ต้องมีสิ่งภายนอกไม่ต้องมีเขาเรียกกรมกุลห้าคือรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็สัมผัสกายสัมผัสเนี่ยเป็นกรรมคุณห้า เราไม่ต้องอาศัยอันนี้ก็ได้ใจมันก็มีความสุขของมันเองได้หรือทุกข์ของมันเองได้อยู่ๆเนี้ยมันตื่นขึ้นมามันมันก็ขมุกขมัววันนั้นอากาศขมุบขมัวก็เศร้าซึมไปแล้วนะคนที่เป็นโรคจิตจะเป็นอย่างนี้เยอะนะตื่นขึ้นมาก็วันนี้อันแฮปปี้ไม่รู้เป็นอะไรมันก็อย่างมันอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันสิ่งภายนอกมันมีสิ่งก็อันนี้ยังเป็นสิ่งภายนอกที่มารบกวดแต่จริงๆมันใจของมันเนี้ยสามารถที่จะผ่องใสของมันเองได้ วิธีอันนึ่งก็คือทําเดี๋ยวเราจะพูดว่าธรรมะสมาธิห้าทำๆแล้วมันเมื่อยนี่เป็นเวทนาป่ะใช่ก็เป็นรู้สึกภายนอกถูกต้องที่แต่ว่านั่งในเดี๋ยวเพราะใจเราสงบมันก็ลืมไปละไอเวทนานั้นน่ะมันก็เวทนาก็มีทั้งภายในภายนอกแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้อยู่นิ่งเะยบางทีปวดเดี๋ยวมันก็หายไปละบางทีนั่งนานปวดก้นแหละขยับหน่อยเขาเรียกว่าอยาบวมันก็เคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวมันก็จะดับ ภายนอกก็คือที่กายเพราะฉะนั้นจะจะในในเวลาเขาแปลเนี่ยเขาจะบอกรู้ความรู้สึกภายนอกแล้วภายในภายนอกเขาจะบอกไปรู้สึกความรู้สึกของคนอื่นมันไม่ใช่มันรู้สึกตรงมีผิวกายภายในคือใจเรารู้สึกข้างในเกิดผ่านและแต่ถ้าขณะนั้นใจไม่ไม่นั่นก็ไม่ใช่แล้วใจมันไปรับมันก็เป็นมันก็เสริมกันไปแต่ส่วนใหญ่มันจะรู้อย่างเดียวเพราะว่ามันจิตมันรุด จิตมันรู้ได้อารมณ์เดียวส่วนใหญ่คือคือจะบอกว่าทั้งรู้ทางนี้แล้วก็รู้ทั้งโน้นด้วยมันมันมันวุ่นวายบางคนเขาทำบอกสมองท่านเขียนมือซ่ากับมือวขวาพร้อมกันได้แต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยสมมติคนไข้มาถามผมผมกาลังเขียนชาร์ดเนี่ยไอ้ญาติคนไข้มานั่งถามแล้วไอ้ผลหลับเมื่อที่แล้วเป็นยังไงบอกเวตาเมนต์แอมเบอร์กอนทิมเหมือนเจ้าหาทีสั่งยามาถามคน บอกเดียวก่นเป็นคนเดียวกันเนี่ยครับบอกเราผ่านส ก, กีนนั้นมาแล้วเดี้องกลับกลับไปดูจย่งเงี้มันสองสองอย่างอารมณ์มันทําไม่ได้มันรับไม่ได้เราต้องบอกให้มันหยุดเพราะเราก็ทําให้เราเสียสมาธิอย่างเงี้ยเพราะเราต้องต้องใช้สมาธิในการเขียนโนดเขียนอะไรคำนองเดียวกันเนี่ยเราก็มีชีวิตมาเราจะเห็นสิ่งพวกเนี้ยก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เวทนาที่มันเกิดดับ เห็นว่ามันเกิดภายนอกภายในแล้วก็มันต้องอาศัยสิ่งภายนอกครับแล้วมันเกิดไปจากของมันเอง spontaneously กำลังทำทํทอยู่ต้องมัน้อก็ได้ยินเสียงเดี๋ยวจะไปทิ้งทำก็ท <laughs> ำ <laughs> ถ้าสมมติเราบอกโดดจริงอ่าก็เร ก, ก็เป็นก็เห็นว่าเนี่ยคือคือธรรมารมเ์ี่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงมองนั้นต่อเดี๋ยวจะแค่ได้ยินโอเคนั่เสียงอาของมันแล้วก็ไปต่อไปก็ทได้เลยที่ผมพูดอธิบายตรงนี้คือ คำ ว, ว่าวิปัสสนาเห็นความจริงกายเคลื่อนไหวทั้งภายนอกภายในนั่นคือวิปัสสนาแล้วก็เห็นการเกิดขึ้นดับไปของความความรู้สึกต่างๆทั้งที่กายและที่ใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะ้วก็เกิดว่าการความรู้สึกนี่เราอาศัยใช้เป็นเครื่องมือใ น, นขณะที่เรารู้รู้สึกมือเคลื่อนไหวเราก็ดูที่จัพราะฉะนั้นการการทําวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่สมถะสมถะคือว่าสมุติ ผมมีมีเนี่ยแล้วผมจะเอาว่าคิดจะเอาทูมาเหมือนกันอ่าจ้าสมมติผมมีมีสองสิ่งเนี่ยผมจะ เ, เนี่ยผมบอกอ่ามีเนี่ยมันเยอะแยะนะแล้วสมถาเนี่ยมันมัดมันเลยมันอยู่นิ่งมันก็ไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวิปัสสนาไม่ใช่มีหลักตรงนี้เราเราผูกเชือ่อแต่อัตัวนี้มันเคลื่อนไหวไปได้ดูที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมเนีไม่ได้ไม่โดนมัด สมถะนี่มันได้ได้พลังจริงแต่มันเห็นทางเดียวเหมือนไฟฉายฉายไปข้างหน้าเห็นทางเดียวในวิปัสสนานี่มันเห็นรอบรู้รอบก็มีหลักจิตมันมั่นไงมันไม่ไม่เตลิดกับที่โน้นที่นี้แต่มันมันมันมันโยงไม่ไปไหนแต่ว่ามันเห็นไฟเห็นที่กายบ้างที่เวทนาบ้างที่จิตบ้างที่ธรรมบ้างคือเห็นชีวิตเราอ่ะคือไม่ใช่ว่าเพ่งมือเพ่งมือนั่นคือสมถะ ถ้าบอกว่ารู้สึกมือเคลื่อนไหวรู้สึกกายไม่ต้องรู้เรื่มือซ้ายวาขวาก็ไม่ต้องรู้แต่รู้ว่ากายเคลื่อนไหวอย่างไอย่างเรารู้ว่าใจกําลังคิดอะไรนกะําลังรู้สึกสบายไม่สบายยังไงสุขหรือทุกข์ยังไง ร, รู้เฉยไม่ต้องคืออย่างพ่อพมโอดจะบอกว่าก่อนจะรู้อย่าจงใจรู้คืออย่าไปปรุงแตนงรู้แล้วไม่เข้าไปแต่เมื่อโอ้ปวดป้อนแล้ว <laughs> กันแย่แล้วสมใจจะเป็นนา <laughs> มธรรเนี่ยในเข้าไปในความคิดเลย คือสังแพทย์เขาบอกว่าคุณนั่งสองชั่วโมงก็ไม่เป็นจะเป็นอย่างดีก็เบสโซ่สองชั่วโมงนะปกติเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนท่าเขาจะเปลี่ยนคนไข้ทุกสองชั่วโมงนะมันไม่ตายหรอกเขาบอกเขาทำแบบนี้เวทนานะช่องถามก็คือว่าอย่างเขาที่นสนใจธรรมะมาตั้งแต่เด็กๆ แล้วอย่างพระพุทธเจ้าท่านตัดว่าท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมให้ตลอดเวลาคืออาณาปานสติซึ่งทุกวันนี้เราก็อยู่ด้วยอาณาปานสติซึ่งท่าพระพุทธเจ้าตัดเสมอว่าเป็นวิหารธรรมเพราะว่าบปงอที่หมอเน้นไว้ว่าถ้าเราทําแบบนี้มันเดื่อดแล้วก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ได้หรือว่าครึ่งนิ้วที่บอกก็มีครั้งเพียงแต่น้อยเขาคือคือเพียงแต่น้อยถ้าเรามีทางทำไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าทําให้เรา ถ้าชำนาญอะไรก็ทํามันนั้นไปไม่มาเพียงเทียงแต่ว่าให้เราอยากจะเข้าใจถ้ามันลึกว่าถ้าสมมุติที่หมอบอกว่าหลวพ่อพระพจ้าท่านบอกว่าปฏิจจส ม, มุปบาทเนี่ยมันจะเป็นสายตรงถ้าเราเข้าใจว่าเหตุปัจจัยตรงนี้ถ้าพวกเรามาเน้นศึกษาอย่างที่บอกว่าถ้าเรามาเน้นศึกษาปฏิจจส ม, มุปบาทสายเกิดสายดับเนี่ยมันจะทําให้พวกเราน้อยลงเนี่ยเดียเดี๋ยวบ่ายที้ขอพูดบ่ายนี้ได้ไหมตอนนี้ตอนนี้ขอข้ามไปก่อนให้ใหจบ มีแค่เกิดวิปัสนาในการเค้นเวทนาทำไปเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดแต่ถึงโอกาสหยุดเมืแบบ่เฮพราะนัแบบ้นเพนั้นกลับมาอยู่กับลมหายใจอาณานีก็ใช้ได้ก็โอเคมีครั้งหนึ่งผมไปประชุมเพราะผมสาธิตฐา้เขาดูนะเนี่ยศาสนาสัมพันธ์เนี่ยทุกศาสนาแล้วครั้งหนึ่งไปที่ที่โบสถ์พราหมณ์เขาเรียกเวทันตะ แล้วพวกพราหมณ์าก็สาธิตโดยการให้นั่งนั่งนิ่งๆอะ่ะทำสมาธิแล้ ว, วก็พวกพวกอิสลามมาตอนจบแล้วเขาสงสารอยู่จังนะยู่บกมือไม่ได้บอกโน้ตไวว่า s w a t h i n g my breath moving <laughs> movement of your breath เนี่ยกขาไม่รู้ก็ดีก็ขอบคุณที่เราให้เกิดเกิดเป็นเป็นสิ่งที่เราสามารถเอามาสอนคนอื่นได้ด้วยนยก็เราดูลมหายใจเคลื่อนไหวก็เหมือนกันะ่ะ เพราะนั้นอ่าเพราะการดูเวทนาเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ทําให้เห็นว่ามันความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรานะใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวบอกว่านี่มีความสุขเราเอาเก็บไว้สิเก็บแต่ความสุขโอ้รักษาระบาดเลยมีเงินก็ต้องรักษาเงินไม่ใช่ไม่ให้ใช้เกินไปแดี๋ยวเรใช้มากไปก็หมดเนี่ยไม่เว้นทุกข์เนี่ยอะไรเงี้ยหรือ ว, ว่าเอาอะไรอาหารอร่อยเอาจะกินเยอะๆมันก็เดี๋ยวแน่นโอ้โห ยึดอดยิ่งทุกข์ใจเลยอย่างเงี้ยถ้าเป็นเวทนาที่มันเกินไปหรือน้อยไปไม่ใช่กับตัวเราจบแล้วถ้าตัวเราก็ต้องสั่งได้มันสั่งไม่ได้เป็นอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเนี่ยพระเจ้าก็สรุปว่าเนี่ยถ้าเผื่อว่าเห็นเนี่ยเห็นใต้รักมันจะวางตัณหาและทิฏฐิเพราะตัณหาทุกครั้งที่เราไปยึดเนี่ยมันหนักที่บอกว่าปัญจุปาทานขันธาทุกข์ขันธาอันเป็นที่ตั้งเวายึดมั่นเนี่ย ถ้าไปยึดมันจะเป็นคาระเป็นของหนักสุดท้ายต้องวางรับไม่ไหวว่าตัวเฉพาะจะตายแล้วต้องวาง่าถ้าไม่วางมันก็ทุกไปเกิดเกิดไม่ดีอันนี้นะนเป็นเรื่องอันนี้ก็ทํามาที่นี่วิปัสสนาของเวทนาคือว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราที่ทําไปด้วยนะถือโอกาสไม่ได้นะมันทำไปด้วย ทำนีจประสง์เพื่อที่ให้เรารู้จิตอ่าเพราะนี่เป็นที่บอกไม่ใช่เราเราปลูกมันไว้แต่ไม่ไม่ไป ม, ม, ม, มัดมันปลูกแต่ว่าเราดูนนาไม่ได้สัมไม่ใช่ ไ, ใชไอ้นี่นะอ่าเราเราดูาเราตามมือเราเนี่ยเป็นสัมใช่เพราะเราไปแนบแน่นกับมื อ, อะจะรู้แต่มือใล้ๆก็รู้มือที่ให้ทนี่เียกรู ก, การเคลื่อนไหวอ่าให้รู้ว่ามันการเคลื่อนไหว ข, ของกายคือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่กาย แต่ขณะเดียวเราดูที่ความรู้สึกตัวความรู้สึกฟ e e l i n g หรือที่กายก็ได้หรือที่จิตก็ได้หรือที่ที่ธรรมเดี๋ยวได้ไปถึงธรรมพุเดี๋ย ว, เ ด, เ, ดยวเดี๋ยวจะรีบรีบสรุปกันเพราะนั้นเพราะนั้นก็หมายความว่าก็ทําให้รู้สึกที่เวทนานเนี่ยจะวางตัณหาและจิต ท, ทิไม่ยึดสิ่งใดๆ ใ, ในโลกรวถึงไม่ยึดเวทนานสุขทุกข์หรือสบายไม่สบายแล้วก็วิธีอ่าก็จะรู้สึกว่าอ่า ทุกอย่างเนี่ยเราก็เริ่มมีความทุกข์ลดลดลงหรือว่าอาจจะพ้นทุกข์ได้ถ้าเราเห็นเวทนาจริงๆนะคือเห็นเวทนาที่เวทนาคือเห็นอันความควารู้สึก ย, ย, ย่อยๆเนี่ยสุขทุกข์หรือว่าสบายไม่สบายเนี่ยที่เวทนาทั้งหลายคือเวทนามันมีทั้งหลายอย่างนะอารมณ์หงุดหงิดอะไรเนี่ยก็ <c oughs> เป็นเวทนาอย่างหนึ่งในเวทนาทั้งหลายอันนี้เรามาดูจิตขณะที่รู้สึกตัวเนี่ย การเคลื่อนไหวเนี่ยก็ดูที่จิตจิตจะรู้ยังไงจะรู้ได้ไม่ยากเลยจิตคุณเป็นยังไงตอนนี้คุณกำลังโรภหรือเปล่าอยากได้ดอะไรดว่าจะไปดูกระ เ, เ, เ, เ, เป๋าใบนี้อยู่เป็นแพงไว้กันก็อจดไปเดือนหน้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดมันวิ่งตามกลับมาแล้วอะไรเงี้ยนี่ความความอยากนะความอยากหรือไม่อยาก โลภหรือไม่โลภโกรธหรือไม่โกรธโรื่องเพื่ออะไรคนนี้มันพูดมันกรอบพูดไม่ดีเป็นโกรธไม่หายเลยเนะี้ยรู้ใจตังง้งหงิดอยู่เนี่ยตั้งหงิดตัห ง, งิดเนี่ยงุ่นง่านอยู่ก็รู้เหรือว่าใจว่างจากความโกรธนะหรือว่าหลงแล้วอ่ะหลงก็คืออัตตาเนี้ยอีโกโ้ reduction เรามีอีโกโ้แล้วอ่ะหรือว่าเต็มไปได้วยอีโกโ้ reduction เนีนะ้ยหลงตัวรึเปล่า หรือว่าใจฟุ้งคตรหูหรือฟุ้งซ่านวันนี้รู้สึกอากาศไม่ดีรู้สึกคตรหูแล้วกันหรือว่าฟุ้งซ่านโอ้ใจลอยไปทั้งยืนเนี่ยคิดถึงคนนั้นคนนี้เพื่อนคนนั้นคนนี้เขาเป็นห่วงเขาคนนี้เนี่ยใจฟุงฟุ้งซ่านหรือว่าจิตตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นรู้หรือเปล่าเอเราบอกได้เลยนะจิตเข้าถึงฌานหรือเปล่าหรือไม่ถึงฌานหรือว่าถึงที่สุดหรือว่าดีกว่าเก่าจากเมื่อก่อนการปฏิบัติหรือว่าต่างจากเก่าดีกว่าหรือเร็วลง หรือว่าจิตหลุดพ้นแล้วเปรู้ได้หมดตรงนี้เพราะตัวเราจะไปรู้คนอื่นจะมารู้เราได้ไงเราไม่ใช่รู้คนอื่นด้วยนะที่บอกภายนอกเออรู้รู้ออกไปภายนอกหรือภายในคือตัวเราทั้งนั้นอ่ะนะนะแต่นี้เรารู้อารมณ์ต่างกันไปเนี่ยที่ที่เกิดที่ใจคือตัวสภาพจิตเป็นยังไงเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ใจเนี่ยจากอารมณ์หนึงมันเปลี่ยนไปอารมณ์นึ่งที่อยู่ในสภาพยังไงจากแต่กโกรธเนี่ยอ้าตอนนี้สบายใจแล้วนะ ตันนี้ก็มาพูดดียิ่งย้ําเต็มใจเราก็ต้องเห็นนะเป็นความคิดทั้งนั้นแหละสรุปแล้วเพราะฉะนั้นก็ใจก็เป็นเครื่องมือที่ให้เราดูได้อันนี้ก็เป็นหลักของวิปัสสนาเครื่องมือให้เราดูว่าใจเป็นยังไงเป็นมันหน้าตาเป็นอย่างนี้เอามันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเราจะบอกว่านั่นเป็นตัวเราเหรอเหมือนกับมันเป็นชีวิตของมันเองนะอยู่ดีดีมันก็คิดไปโน้นไปนี้สอนหลอกเราให้ไปทําเหมืนกันสิ ทำไมไม่ไปกลับไปซื้อกระเป๋าไปเมื่อกี้หรือรองเท้าคูดเดี๋ยวคนอื่นแยกไปเนี่ยเสร็จเลยทำอันนี้นนถ้าเห็นขั้นจิตเวทนาและกายเวทน า, า, ทนาไม่ไม่แค่ น, นี้คอ่เป็นเครื่องผูกที่กายแต่ว่าเราดูเราดูที่จิ ต, รจตหรือดูเวทนาเมื่อกี้นี่นี่รอบนี้มาดูจิตแล้ ว, เ, วเป็นนขั้ที่เดี๋ยวจะไปดูทําขั้นที่สี่ที่เมื่อกี้พี่ก็ถาม ดูมันสับสนแต่จริงไม่มีอะไรอันนี้ก็กลับมาถึงตรงนี้ก็เป็นวิธีเครื่องมือให้เห็นว่ามันเป็นอันจ้งอันนี้จ้างทุกขังงนะแต่เราสั่งใจเป็นอย่างนี้ให้นิ่งๆก็ไม่ได้นะมันมันมีความคิดของมันเองอ่ะมันลากเราไปนน่นนี่ะตลอดเวลาเลยนะเราเป็นทาสของความคิดจริงไหมเดี๋ยวไม่มีอะไรไอ้ลูกมันสบายดีหรแต่ขึ้นไปดูนะทั้ง่มันบอกนมนอย่าไปยุ่งกัไอเนื กังวลเรืออะไรกังวลก็จิตมันก็อย่างกังวลเนี่ยจิตเนี่ยตัวจิตเนี่ยมันกังวลแล้วก็ทำอย่างเดี๋ยวเพราะฉนั้นเราจะเห็นว่าเราจะวางตันหาทิศจิตอย่างเนี้ยคือคือเราเพรเห็นจิตธรรมดาของมันเนี่ยมันว่างจากสิ่งพวกนี้เนี่ยคือจิตเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยท่านบอกประพัสอคือใจมันประพัดสอนค้ายๆเวลาตื่นนอนเนี่ยยังไม่ได้คิดอะไรนะใจมันว่างนะสบายนะ ทันทีแบบวุ้ยวันนี้ต้องไปส่งลูกนี่นัดกับหมอโอ้ตายแล้วนี่ตื่นสายตายอันนี้ถูกส่งต่ อ, อจริงๆเราไม่มีอะไรเราก็ดูเ่อเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวเผื่อรถติดแราเราเผื่อเวลาไว้ใช่ไหมตั้งยาปลู ก, ก่อนอะไรเงี้ยเราคิดไปอันนี้ใจก็ถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยใจะจะวางจากตัณหาและทิฐิเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่เป็นท่า ข, ของจิตหรือว่าสิ่งใดๆในโลกโดยการเห็นจิตที่จิต เนจิตที่จิตแล้วสุดท้ายก็มาขณะที่เรารู้สึกตัวเนี่ยให้ดูทำทำไหมว่าทำอารมณ์เช่นทำว่าเราได้เมื่อกี้ที่พี่บอกนะตาเห็นรูปเนี่ยดอกไม้วันนี้ไม่มีดอกไม้เท่าไหร <c> ่ <oughs> ก็เห็นเนี่ยดอกไม้ <c oughs> ดอกเศรษฐีนะต้นเศรษฐีเห็นดอกตาเห็นรูปก็สวยดีนะส <c oughs> ีส้มสีชมพูก็มีอะไรเงี้ย <c oughs> หรือว่าได้ยินเสียงนกร้องที่พี่พี่บอก หูได้ยินเสียงจะบกได้กลิ่นลิ้มรสกายก็มีกายสัมผัสและใจก็ความคิดมันคู่กันนะจะบอกเอาตาไปฟังไม่ได้นะจะเอาหูมาดูก็ไม่ได้นะมันต้องของมันเองนะเป็นภาษาศระบบภาษาศของมันเองเพราะนั้ น, นต้องเปนสเปซิฟิกของมันแล้วมันทำไมทำไมมันเกิดได้ยินเสียงนกร้องเนี่ย จะเห็นทันทีว่ามันไปกระตุ้นโสตะวิญญาณให้ได้ยินเสียงนะเสียงนกร้องตอนแรกก็ได้ยินเสียงธรรมดายังไม่มีอะไรแลวแล้วเราไปสร้างอารมณ์ขึ้นมาไงไปปุุงแต่งด้วยความคิดละเป็นสังขารละโดยธรรมชาติเสียงก็เสียงก็มีมีตอนนั้นไปพูดที่เรื่องวันนห่งสติเนี่ยเมือ่อสองสองศูนย์หนึ่งสี่อ่านะ ที่คอนเทนต์เพร์รอาร์มิวเซียมพขาให้ทุนไปพูดเนีปีนั้นได้มาประมาณสี่พันเหรียญแล้วก็เราก็พูดกับแล้ว ม, ม, มีผู้หญิงคนดำคนหนึ่งเขาบอกเนี่ยเขาไปเขาทำสมาธิมาสักพักแล้วแล้วก็ไปเดินที่พาร์คเนี่ยแล้วเด็กมันมาร้องเอะอยู่เขาเสียสมาธิมากเลยเขาโกรธบอกนั้นอยู่อยู่โดนความคิดหลอกไปแล้วนแค่เสียง คือเสียงมันก็เสียงอะสมมติเราเราได้ยินเสียงแขกมันพูดกันหรือว่าคนจีนพูดกันเราฟังไม่รู้เรื่องนะก็ได้ยินแต่เสียงดังถ้าฟันที่พ่อแมาพูดภาษาไทยถ้ามันด่าเราหรืว่ว <c oughs> าโกรธก็ฟังก็ออกฟังไม่ออกเพราะเสียงธรรมดา <S <S เสียงเด็กร้องเราก็ไม่ค่อยกวนเท่าไหร่นะนะแต่ถ้าไปอยู่บนเครื่องบินเสียงเด็กร้องมันก็รบกวนวเราเยอะนะแต่ว่า ถ้าเป็นลูกหลานล้วมันร้องมันน่ารักดีนะไปเงินไปเดี๋ยวมันคงหิ ว, วนะไปป้อนมันเองเป็นมนเทียนอย่างเนี้ยก็เป็ น, เ ป, นเป็นอารมณ์ธรรมอารมณ์นะมันเกิดสเปซิฟิกนะนะถ้ากลิ่นนี้ก็ต้องมีมีอ่ามีคอนเชียสของของเ네นโซได้กับอะไรสดะวิญญาณชิวหาวิญญาณของลิ้นนะ แล้วก็านาสิกนี่ไม่อะไรําไม่ได้นะภาษาบาลีวิญญาณของของจมูกแล้วก็ทางกายก็กา ย, กายาวิญญาใจก็มโนวิญญามันคู่กันอร์เสต์เพรา ะ, ะนั้นก็เกิดท่าสิบแปดเคยได้ยินไหมท่าสิบแปดเพราะว่าอายตนะหกภายนอกภายในสิบสองลนะแต่มันต้องมีวิญญาณมาคู่เพรา ะ, ะนั้นแค่เห็นเนี่ยคนตายยังมีตายอยู่เห็นรูปจะไม่มีวิญญาแล้ว ถ้าเปิดตาตาตายแต่ตาไม่หลับเพราะเห็นรูปแต่ว่ามันไม่ register แล้วเพราะวิญญาณมันทั้งไปแล้วสมองมันหยุดไปแล้วหยุดทํำงานคือมันไม่เข้าไปที่มโนวิญญาณพวกนี้จะส่งต่อไปที่มโนวิญญาณก็เกิดท่าสิบแปดเพราะฉะนั้นก็จะเห็นด้วยด้วยการเนี่ยดูที่ใจก็จะเห็นถ้าเป็นนี้เป็นธรรมแล้วธรรมว่ามันเกิดยังไงธรรอารมณ์มันเกิดยังไงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไง ได้ยินเสียงครับเดี๋ยนกร้องอ่ามันไม่ร้องแล้วนี่พี่นะหายไปแล้วเสียงมันเลยเ อ, เอสตัวิญญาเนั้นหายไปตั้งนานแล้วอย่างผมหยุดพูดก็ไม่มีได้ยินเสียงมันหลมแทนก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเร็วมากพวกนี้มันทํางานต่อไปเรื่อยๆนะตัวหนึง่งตัวหนึ่งจบอีกตัวต่อไปอย่างเงี้ยมันก็เกิดเป็นการต่อเนื่องกันไปแล้วก็จับความคิดหนึ่งไปจําเป็นสู่ความคิดหนึ่งตลอดเวลาเห็นเทาเห็นธรรมดา มันก็จะว่างจากตัญหาและทิศฐิคือเห็นว่ามันเป็นชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้จังทุกขังอนัตตานะไม่มีไม่ได้เป็นเจ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของมันสั่งให้นกร้องตลอดไปเขาได้มันไม่มาร้องให้เราฟังเอ อ, เ อ, อก็เลยเนี่ยทําให้เราว่างจากไม่ยึดในธรรมอารมณ์ทั้งกลวงรวมทั้งไม่ยึดใน อ, อ่ทุกอย่างในโลกทําให้เราเนี่ยว่างจากความคิดความทุกข์ โดยการเห็นธรรมที่ทําอันนี้ก็กลายเวทีก็มีอย่างเงี้ยแล้วเราาทําเนี่ยทําด้วยใจสบายนะอย่าไปเคร่งเครียดโอ้หวันนี้ต้องทําอีกแล้วเหรออีกสิบนาทีสิบห้าไม่ไหวทำใจสบายสบายที่ทำธรรมะสมาธิห้าคือว่าทําใจให้ปรามโมทมีในในอนนารณสติขั้นที่ดูใจอ่ะเที่บอกว่าเห็นเห็นจิตเป็นยังไงแล้วก็บอกให้จิตตั้งมั่นให้จิตบันเทิงก่อนบันเทิงในขั้นที่ ขั้นที่สิบขั้นที่เก้าว่าเห็นจิตเป็นยังไงขั้นที่สิบคือเห็นจิตปั่นเทิงแล้วขั้นที่สิบเอ็ดเห็นจิตตั้งมัน่นจริงๆมันคือธรรมะสมาถ้าถึงจิตหลุดพ้นว่างจากอารมณ์ต่างๆป็นขั้นที่สิบสองอะไรเนี้ยอันนี้เวลาธรรมะสมาธิหคือว่าเวลาปฏิบัติก็เอามาใช้ได้คือทําด้วยใจอารมณ์ใจที่ปลอดโปรง่งปราโมทร่าเริงไม่ใช่ทําด้วยโอ้โหต้องโดนบังคับทําอีกแล้ว ก็ทำให้โอ้เอนจอยเอนจอยวอล์กิ่งทุกเนติเสนทุกอย่างทำด้วยเอนจอยถ้าถ้าเห็นอาจารย์สอนเนี่ยโอ้ oh, ผิดทางแล้วครับไม่ต้องไม่ต้องบอกก็ได้ถ้าเขาทขาดังลักที่เครื่องขโมยเนี้ขขโดดยโอ้ oh, ออกมาได้และเ <laughs> พราะอาจารย์ยังรู้สึกคิดถัก ว, <laughs> วันนี้วันนี้ข้าจะได้เงินเท่าไหร่อะไรเงี้ย <laughs> ตาย ตลอดไงคือเขาคิดไปโนดนมานี่นะหรือว่าเขากุมใจเรื่องนี้เลยนี้ยอมคนนี้มาด่าแล้วว่านอนเพระคิดเครียดนะที่จริงเราทําใจเราล่าเลยได้ตลอดเวลานะพอล่าเลิงมันสิ่งที่ตามมาคือปีติใจใจมันลึงโลดเพราะว่ามันสบายเออเสียงนกร้องใจที่จะโน้หูมันเพราะดีนะเออลิงโลดคือคือก็ปีติปีติแล้วเกิดพอเราเราเห็นจิต ต่อเนื่องไป ม, มันก็ปสัสสติี่สมบ resting calming เสียงพร ะ, ะดี่จังเลยร้ อ, อ, องนานๆสิอะไรเงี้ย calming แล้วก็ต่อไปเนี่ยมันพอพ อ, พ อ, พอจิตมันปสัสสติเนี่ยคือ calming resting ของกายและใจมันสงบระงับมันก็เกิดสุขตามมาเลยสุขตามมาพับความสุขความสบายมันทำให้เกิดจิตเป็นสมาธิโดยธรรมชาติเป็นมันเหมาะเหมาะกับการ ให้สมาธิเกิดเพราะฉะนั้นจากขั้นที่1ิ12ของอาณาปณสิเนี่ยจำใจปราโมทกขตัดตัดที่หรือว่ามีปีติประสัทธิสุขข้าไปขั้นสิขั้นสิบดเป็นว่าจิตตั้งมัน่นคือจากปราโมทเป็นสมาธิแต่จริงๆมันผ่านผ่านมาในนั้นคือปราโมทปีติประสัทธิสุขแล้วก็ถึงจะเกิดสมาธิเพอสมาธินี่ตอนนี้เรามีําลจิตมีกําลังแล้ว จิตมันแค่ว่องเบว่องไวเบานะตอดโปร่งเหมาะกับการงานตอนนี้มันเห็นอะไรเนี่ยอันนี้พระจะพระท่านจะสอนออกไปเดินเอาไปเดินอย่าไปอยู่หลบอยู่ข้างในฮะเดินนี่มันเกิดปัญญาไงเพราะมันอันนี้ก็เดินนะเพราะมันทําิปิปัสนามาตลอดเดินเดินด้วยมือแต่ว่ามันคอมเพล็กซ์อ่ะมันก็เลยมากกว่ายืนเดินนั่งนอนมันละเอียดตรงไหนเกิดความรู้สึกตัวเด่นชัดพระเจ้าถึงแยกออกมา ไม่ใช่ว่ายืนเดีนั่งนอนอันนั้นเกิดสติเป็นส่วนใหญ่อันนี้บอกว่เป็นสัมปชัญญะเลยเกิดเกิดความรู้สึกตัวเด่นชัดแยกออกมาเป็นสัมปชัญญะสัพพะที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วก็เกิดตามมาคือว่าเมื่อมันจิตมันเกิดสัมปชัญญะมันมันเป็นปัญญามันก็ต่อยอดด้วยสมาธิเป็นยถาภูตญาณนะทัศนะคือเห็นความจริงด้วยความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาตจิตมันก็เลยเบื่อหน่ายว่าเอ้ยนี่มันเราแบบ ตัวรเราไว้ทําไมโลค ก, ก, ก้อนหลงเนี่ยทําให้เป็นทุกข์ที่กายเวทนาจิตทำอะไรเนี่ยมันก็เกิดความเบื่อหน่ายคายกาหนัดหลุดพ้นโดยธรรมชาติของมันเองจะไม่มีในทุกสูตรเลยว่าปล่อยวางไม่มีนะจิตมันวางก็ไม่จิตเบื่อหน่ายคายกําหนัดแล้วหลุดพ้นเลยมีสามคำเนี่ยตลอดเวลาไม่มีคำว่าจิตเบื่อหนา่ายคายกำหนัดและปล่อยวางไม่มีจิตเบื่อห น, น่ายคายและหลุดพ้นเลย เพราะมันมันฉลาดแล้วมันไม่ง้แล้วเกาะที่ไลน้นเหนื่อยเจ็บตัวทุกทีทาไมไปไปกับกับคุณแล้วคุณเอาผมไปทุกตาลาาทุกทีอะไรเงี้ยมีที่พี่จะถา ม, ห, ถามห้านาทีที่พามานี่นะผมก็สนใจอยู่ที่ตัวอาจารย์นะจิจมันไม่ออก อ, อันนี้ถือว่าเพ่งหรือว่าสมาธิคือถ้าฟังแล้วได้ได้ปัญญาตาม ก็ไม่เป็นไรก็มีสมาธิแนบแน่นอยู่เหมือนเนี่ยวิตกวิจารณคุณเข้าใจวิตกวิจารไหมเนี่ยเป็นภาษาพระฌานที่หนึ่งวิตตกเขาบอกโอ้มันคือคือวิตกในอารมณ์ที่ทำเช่นลมหายใจวิตกคือว่าผูกกับลมหายใจถ้าวิตกถ้าวิจารมันแนบแน่นอยู่กับลมหายใจเนี่ยนี่พี่แนบแน่นเป็นวิจารมันนองเดียวกันอาจจะอาจจะเป็นเนี่ยนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่น การการทำนี่เครื่องมือก็เป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งไม่ถือว่าเพงเ่งไปนะไม่ใช่เพง่งถ้าเพ่งนี่พี่ก็รู้แต่มือหรือว่ารู้แต่ตัวผมได้เขาพูดอะไรก็ไม่รู้เมื่อกีบางทีเราฟังเลคเชอร์นะแต่ใจเราไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเราเพ่งอยู่ยนะเหมือนกันนะแต่เพราะมาเกตเลคเชอร์คนนี้มันก็คิดไปโดนอะไรเงี้ยหมอ ค, ค่ะโทษว่ามันไม่มันไม่มไมเป็นสมรรด้วยเลยคะ่ะไอวิจิตวิจัยนี่มันก็เป็นชาติหนึ่งของใช่ใช่ใช่มันแต่ว่า เมื่อก่อนผมก็ถามอาจารยโควิดอย่างเงี้ยบอกคุณหมอไปอ่านปฏิปทานสี่สิแล้วจะเข้าใจว่ามันต่างกันยังไงผมไปอ่านแล้วมันก็มีมับอกตรงไหนเลยสุดท้ายมันมันเริ่มเหตุใประโยคแล้มีสติบอกอาตาปิสัมปชาโนนะสติมาถ้าพี่มีสมติอย่างเดียวไม่มีสัมปชาโนมันก็ฟังและ้ะอ่าเพราะมีสมติและสัมปชัญญะธรรมะมาก่อนด้วยนะส อาตาปีสัมปะชาโนสติมาคือความเพียนเ พ, งพ่งเาเกิเล็ดด้วยความรู้สึกตัวและสติสติเดี๋ยวที่บอกผูกถึงอารมณ์ธรรมะมาตรวจสอบนั้นขณะที่เพง่งที่หน้าผมเนี่ยพี่คิดตามไปด้วยที่ผมพูดดังนั้นก็ได้ปัญญาเนาะแต่พี่ไม่เห็นด้วยพี่ก็มีปัญญ า, านั้นอ้านยกมือเลย <c oughs> เอ๊ไม่เป็นอย่างนี้นี <c> ่ <oughs> เออมันไม่ตรงกันเลยเออแต่ส่วนใหญ่มัน มันตรงกันนะเพราะว่าทุกอย่างทุกคนก็เห็นอย่างเดียวกันนะจะทำวิธีไหนมันก็จะต้องลงเงี้อีกข้อหนึ่งค่ะอย่างสมมุติว่าเราทำทุกอย่างหันผัดเราก็รู้ว่าเราหันผัดเราจะไปผัดเราก็รู้ว่าเราจะไปผัดก็นี่ก็หมายความว่าเราเราฝึกธรรมะมีสติในทุกอริยบทที่เราทำจะถือว่าเป็นการถูกต้องใช่ไหมคะคือ คือหลายคนบรรลุธรรมขณะที่เคลื่อนไหวนะเช่นานางอุบลวานาเทรีอาจจะเป็นท่านเขมะก็ได้เป็นเป็นเป็ น, ปน อ, อุปปัษฏะอุปเทรีอะที่เป็นฝ่ายขวาท่านบรรลุธรรมขณะกวาดลานวัดแต่ไม่ใช่ว่าท่านรู้ว่าโวป น, นี้กวาดได้สะอาดนะค <c oughs> ือจิตผูกอยู่การทำงาน การเคลื่อนไหวขณะเียท่านเห็นจิตท่านเนี่ยกายเวทนาจิตทำทำงานยังไงเห็นจิตที่จะคิดยังไงเห็นความคิดที่มันแวบขึ้นมาหลุดเลยนะคือเพ่งมากกันไปก็ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นการทําที่มันผ่อนคลายอย่างพระ อ, อนอนท์เนี่ยเคยได้ยินนะท่านบรรลุธรรมเช้าวันที่ก็จะประมสระันกั น, นยานาะท่านเพียรมาตั้งสามเดือนเพราะพระเจ้าทํานายไว้แล้ ว, ล ว, ลวคุณจะต้องบรรลุเก้าสิบวันจากที่ผมตายเนี่ย นะนั่นก็พูดตาหนอกภาษาไทยนะแล้ <c oughs> ก็โอ้โหชายฮัดเลยสามเดือนนั้นนะ่ะยิ่งวันสุดท้ายนี่ชายเต็มที่เลยอยู่กับเนี่ยการเคลื่อนไหวได้ทําพิกายกายากะตาสติตนก็ทั้งนั่นเพลียมากไม่ได้นอนทั้งคืนอะ่ะพอลุงสางขอพักสักนิดนึงกำลังขณะไม่ได้จะนอนจะพักสักหน่อยขณะนั่งอยู่เนี่ยจะเอหลังเนะี่ย คึงเนี่ยบรรลุธรรมเลยเอรหันเป็นโซดาแล้วพวกตรงนี้ระหว่างตึงนั่งตึงนอนเพราะว่าท่านเพียรเกินไปพอมันมาจะไม่ได้มีได้แพ้ในทางสใจการไม่ตึงไม่หย่อน<ม>พอดีเลยจิตมันเห็นจิตทันกันจิเห็นจิตจําแจ้งเนี่ยบรรลุเป็นเป็ น, ปน ม, ม ร, ร, นรตัวเองรู้สิจิตนั่งจากความรู้สึกไม่ใช่มันคือคือมันเกิดความว่าง พี่ว่าไอ้แมันไม่มีความคิดมากวนแล้วนี่ไม่ไม่มีว่าอาจารย้อเป็นอ า, ารหันแล้วแบบมันหายไปไงคือรู้ว่ามันหมดแล้วนั่นเห็นมนแล้วไม่มีแล้วถูกต้องไม่ไมีไม่สนใจไม่สนใจคือมันไมู่้วาฮัลโหลฮัลโหลเลยฮัลโหลเลยก็ดถูกก็ผิดถูก้าละโลกก็นหลงได้หมดก็แปลว่าคุณเป็นอ า, ารหันแล้ว ก็ด่าทุกวันที่ด่าแล้วเดยกก็รู้ถ้าลองด่าทุกวันดูที่จะรู้ไงกรไเออใ่คือคือยกพี่ตู่ยกตัวอย่างได้ได้ชัดเจนนี่นะว่านะเพราะว่าเหมือนกับอะไรนะคือได้ยินก็คือได้ยินเนี่ยทำไปด้วยนะอย่าทิ้งโอกาสอยู่ทาไปด้วยอย่าทิ้งโอกาสอยู่เนี่ยมีคนตาอยู่คนสอคน ถูกถูกต้องใช่ไหมคะอย่างที่ยาเคสของของพี่ตุ๋ยกับที่ประกอบเนี่ยแล้วอย่างที่ไร้ถามว่าสมมุติว่านึคือคือสังเกตว่าตัวเองดึงจิตได้แล้วก็คือว่าการที่พี่หมอใช้คําว่ากายคตาสติคือเอาจิตมาไว้ในการกระทําคือรู้สึกรู้สึกการที่กายเคลื่อนไหวหรือทำอะไรเนี่ยเรารู้ตลอดเช่นเช่นผัดผัดอะไรเนี่ยเรารู้ที่กายใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันเราดูใจเราเป็นยังไงโอนี่วันนี้เรา เราต้องทําอะไรเนี่ยขนาดเนี่ยต้องไปรับลูกหรือเปล่าหรือว่าต้องมีอะไรใครมาพูดอะไรแสดงว่าเราคลุมซ่านนะใช่ไหมคะไม่ใช่คลุมซ่านเรารู้เลยทำนี้แต่ว่าผูกอยู่กลางการทำพิกายแต่เรารู้ว่าใจเราคิดอะไรไม่แต่ความคิดมันเข้ามาสองย่างเข้ามาเนี่ยเราก็เราก็วางมันสิมันทําให้เรากลุ้มใจคือคือคือน้อยเก็ตเก็ตคุนฟิวอยู่ที่ว่าโอเคไม่หันตะไคร่อยู่หันตะไคร่ใช่ไหมล่ะแล้วก็หันหันหันตะไคร่ คือเราต้องระวังอยู่แล้วจิตเราเนี่ยเราไม่ถ้าสมมติมมมสมสมุติคนน้อยมีมีปัญหาเนี่ยเใช่ไหมนคนมาด่าเราเงี้ยใช่ไหมหามาวิจารณ์เราเราได้ยินมันก็นเราโกรธเนี่ยแต่วันนี้เร า, าผัดอยู่โอ้ความคิดมันแบบวบเข้ามาแล้วใช่แ ต, แต่เราต้องทันทีเรารู้ว่ามันความคิดนี่มันพูดไม่มีความหมายเลยมันหลุดไปเลยมันเลิกแล้วมันกลับไปคิดก็ไม่ได้นะเรารู้ว่ามันเป็นความคิดเราหายโง่ไง อ๋อด่าด่าสุดด่าแต่ว่าเพราะว่าถ้าเราเราไม่หายแล้วก็หมายมันด่าข่าวหน้าเจอมันต้องเฉ็งมันนะใช่คืออ่าใช่ฮัลโหลโอ๊ยความคิดธรรมดาใช่คือคือโสดแบบ้าบนั้นเพราะว่าเขาเขาอิจฉาเราเขาถึงพูดอย่างนั้นอย่างเงี้ยเขาบอกบางคนเขาบอกนะใช่ใช่ใชเวเราเราดีกว่าเขาเขาถึงเอาตัวเราเคุณชุติงีพเขาพูดเป็น น้อยเป็นเพราะว่าเขาเห็นเราดีกว่าเขาก็ถึงมาวิจารณเราอย่างนี้ซึ่งเราควรจะดีใจอันนี้ใครได้ยินคนจะยินพูดนะพูดไปก่อแล้วก็เลยก็เห็นความคิดเขารู้ว่าคือความคิดเขาจะบอกให้เห็นหนึ่งเป็นความคิดค่ะคือแค่ความคิดถ้าเรารู้จักตัดปั๊บจบตรงนั้นเลยซึ่งซึ่งมันเข้าทางการทำใช่คือว่าแต่มันต้องอาศัยเครื่องปลูกเครื่องปลูกคือการทํางานของกายเช่นคนคนอาหารอยู่เนี้ย เกิดความรู้สึกตัวที่มันปัญญาแนบแน่นอยู่กับอันนี้ยมันสามารถเห็นทันความคิดว่าอ๋อเขามาด่านี่มันความคิดโซว่าเพราะไม่นั้นมันก็จะติดอยู่ในความคิดมันจึงไม่ออกนะพอเราไปเรื่อยๆก็กลายเป็นความฟุ้งซ่านอ่แล้วมันยิ่งเคดแคดเนี่ยมันโกรธแล้วมันทำมันก็ไม่ถูกนะไม่ใช่ไม่ใช่คือคือคือไอ้พอเศษทิ้งฝรังมาเอาไปใช้เขาเรียกซีบีที เขาดิจิตีบเฮเทโรเทรปีคนตกงานเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองกลุบไปหางานใหม่อีกกลุ่มอมาโคชคิดอะไรพาสติกนะคิดดีๆนะแล้วก็ไปสัมภาษณ์เดี๋ยวต้องต้องรู้จักทําตัวให้มันเหมาะสมไปสัมภาษณ์แต่งตัวให้ดีไอ้นี่ทําไงก็ได้ไปสัมภาษณ์เอง่อซวยก็เหม็นแคร์เลยไม่อยากได้งานอะไรเงี้ยไอ้นี่ก็ตั้งใจอยากจะไปทําคิดให้ให้ดีนะเขาก็ทํำเลยแต่งตัวเรียบร้อยนะ เขาถามอะไรก็ตอบเป็นงสุภาพแล้วก็บอกมีผมมีทําสามารถจะช่วยทํานี้เขาก็จ้างดิไอ้นี่ผลออกมาไอ้พวกที่โค้ช CBT เนี่ยได้จ้างมากกว่าไอ้พวกนี้ซึ่งไม่ได้โค้ชมันก็มีไบเอซีวะแต่ว่าไบเอคือว่าเขาให้ positive thinking เขายืมมาจากพุดพุดคือ neutral thinking ให้เห็นว่าเป็นความคิดแต่ ถ, ถ้าถ้าไปสองนงี้มันก็วางหมดได้ก็ไม่ได้งานก็ไม่สาคัญ แต่จริงๆพุทธ เ, เ, เน้นในด้านความดีไงความดีกับปัญญาอ่าคือสกิลฟูมีคือทางคือทางที่ว่าที่ว่าสุจริตหรือว่าเป็นทางที่เป็นอ่าเป็นกุศลอกุศลให้วางไปทําแล้วทําให้เบียดเบียนตนเองกับผู้อื่นเนี่ยเป็นทางอกุศลแล้วก็ปาติเตียนถ้าทําแล้วเนี่ยเกิดความสุขแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วก็ปราฏิเสริญก็เป็นทางที่ถูก แต่สุดท้ายก็อยู่ที่ตัวเราจะเป็นคนตัดสินยังไงคือสรุปง่ายๆก็คือว่าคือที่น้อยได้เรียนจากธรรมะก็คือว่าถ้าเราคิดแล้ว the b o t t o m line เราไม่เปลี่ยนเปลียนตัวเราเองแล้วเราไม่ไปเปลี่ยนเปี่ยนคนอื่นคือว่าสรุปเราโอเคที่เราเอา apply มาใช้ modify กับ everyday life ถูกครับคือทำยังไงให้เราทุกน้อยลงหรือพ้นทุกได้ดีที่สุด แต่จุดสําคัญที่ผมจะเน้นก็ว่าคือมันทั้งหมดมันเกิดจากความคิดคิดความคิดนะรู้ไม่รู้เชื่อไม่เชื่อแต่มันจริงอ่ะมันซ่อนอยู่แล้วเป็นความลักคิดด้วยเพราะความคิดสร้างสรรค์มันก็ดีใช่ไหมแต่คิดไปทางกุศลเนี่ยมันดีแต่ว่ามันที่มันจะมีอกุศลแทรกเนี่ยมันเป็นความลักคิดแหละเพราะมันมีโลภกัหลงมาแทรกแม้กระทั่งทําดีเนี่ยเราหวังบุญเยอะ ที่เขาบอกําบาตรเขาจะเอาล้านเหรียญเี่าลิเกินไปแช่นมันก็น้อยนะโดยสิ้อหลักตอนนี้ห้าร้อยกว่าล้านแล้วเนอะเราไว้สองเรียังไงจะจะเป็นคำถามต่อก็ได้นะอันนี้แผมก็ได้ความรู้แล้วผมบอกว่าตัวไเองแล้วก็อ่านฟัง ปฏิบัติมาก็เยอะแต่พอมาเจอหลักปฏิจจทุกมบาทเนี่ยมันทําให้เอามาบริคือคือนะึกคิดว่ามันเอามาใชา้กับชีวิตประจําวันเนี่ยได้ดีขึ้นเมืม่อก่อนเกลี่ยวกล่อมกับลูกน้องพอเราเข้าใจว่าคําว่าอริยะกับฏุทุชนเนี่ยเราทําให้เรามองเห็นแล้วอภัยให้คนได้ง่ายขึ้นอ<แ>คือ ถ, <ล>ถ้าเราเข้าใจคือถ้าเราเราเห็นใจเราตัวเราเองแหละเราก็รู้จักวิธีแก้แก้ปัญหาใช่ค่ะคือถ้าเราไม่รู้เราก็มันทําไม่เนี่ยมัน ทำให้ฉันเดือดร้อนมากเลยทำให้เราคับแค้นใจเราแก้ไม่ตกเพราะว่าเราไปหัวชนฝาอยู่ใช่แต่เรารู้ว่ามันเกิดจากตรงนี้เราก็แก้ที่จุดทุกอย่าง่างพุทธนี่จะเกี่ยวกับปฏิยาการปัิยาการคอสอนเอฟเฟกอยังสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนถามพระพุทธเจ้านะสองคนคนหนึ่งถามบอกบอกใครเราที่เสวยสุขทุก่อนที่คุยกับพี่ แล้วก็อีกคนในจิตตะความช้างแล้วนะถามว่าเอ๊ะแล้วใครละเป็นคนบรรุธรรมในเมื่อบอกว่าเป็นอนัตตาใช่มมันค้างกันอยู่ในตัวใช่ท่านก็บอกอันแรกเนี่ยคือท่านบอกถามผิดแล้วก็ใครเป็นใครเป็นคนสุขเป็นทุกข์ถามผิดตั้งคาถามผิดเออทำไมเอ๊ะก็เป็นผิดตรงไหนพระเจ้าตั้งคำถามควรจะถามว่า ให้กเกิดเกิดความสุขหรือความทุกข์มันเกิดมายังไงไไเกิดมายังไงไม่ใชเกิดจากอะไรเกิดมายังไงคือเพื่อถามด้วยปฏิสัมภาทเนี้ยนะว่ามันทําไมถึงทุกข์ทำไมถึงสุขแล้วถ้าเห็นอันเนี้ยมันจะรู้ว่ามันไม่มีตัวตนตัวตนมันสร้างขึ้นมาตรงระหว่างวงจรที่มันเกิดขึ้นงานที่สองคือในจิตใจความนะแล้วใครบรรลุหรอเขาบอกอันนั้นคําว่าอัตตาอัตตนี้เป็นเป็นโลกนิรุตเป็นโลกโวหารโลกมัญญัต เป็นภาษาชาวบ้านซึ่งตาาคดก็ร้องเรียกตามเขาไปด้วยแต่ให้แต่หาได้ยึดฉวยไม่ได้จับชวยไม่ได้ยึดยึดถือตามไอ้คำว่าอัตตาเนี่ยก็ทุกคนเนี่ยเวลามันรีสปอนส์กับ ENVIRONMENT เช่นว่าจะดื่มเนี่ยผมก็มีความว่าผมดื่มนะนี่นี่ของผมอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไปเท่งวันมันไเงี้ยดื่มเพื่อจะให้ร่างกายเราสดชื่นเท่านั้น เพื่อว่าร่างกายเราอยู่ใน environment ได้แต่มัน temporary existing ไอเ น, นี่ย self image hologram อันเนี้ยมัน temporary existing มันไม่ได้มีตัวตนจริงๆถ้าเราไปยึดว่าโอ้โหนี่ใารอย่ามาหยิบควดนี้นะของของข้านะก็ทุบเขาไปอ่าแหยิบไปก็แบ่งเข้าไปนะแต่ว่ามันไม่เปื่อนนะแต่ว่าอย่ามากินอันนี้เพราะเปื่อนแล้วเราก็มองกันตรงข้ามว่าอย่ามาเออนี่ของฉันเนี่ยอยากแกมกินของแกก็เรื่องคุณ <c oughs> คือนนนันมีความรู้สึกว่าพอพอเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วพระยาต้อสอนอะไรนะว่าชีวิตเรามันง่ายขึ้นง่ายขึ้นขนาดขนาดนักวิทยาศาสตร์ยังบอกว่า professor Antonio Damasio เเขาเคยเป็นหัวหน้าภาควิชานิวโรจีซึ่งใหญ่มากนะที่ยือไปอกว่าเือเป็นหัวหน้าชีพนิวโรจี department เลยเขาบอกว่าในขณะที่เรา เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราเราเจเนเรตสร้างภาพพจน์ขึ้นในสมอง mental pattern for the object. ในอ็อบเจกต์ในเลื่นี้คือกวดน้ำขณะพร้อมกันนะัน้นเนี่ยในพาราลลลเนี่ยพร้อมกันก็สร้างว่า A sense of self in the air ครับหนก็สร้างความเป็นอัตตานี่ของของผมนะอย่ามาจับนะแต่พทธเจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นนะนี่เขาเสริมพทธเจ้าแล้วนะแล้วยังบอกว่า brain is a feeling organ that thing หรื่องงัเนนะของพูดั้งนั้อะไรเนี่ย feeling organ that thing เดี๋ยวกลับมาอันนี้กลับมาอันนี้คือว่าพระเจ้าบอกว่ามาเกิดอายตนะทั้งหกที่พูดถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกิดผัสสะภายนอกจากจากนี้ยอายตนะภายนอกตาผมเป็นภายในเกิดวิญญาณรู้ว่านี่ขวดน้าเกิดกเลยเวทนา เกิดสัญญากดน้ำอย่างเนี้ยพระเจ้าบอกยังไม่ได้เกิดอัตานะสัญญาต่อไปท่านบอกสัญญาเจตนาเจตนาคุณก็รู้สมัยตัวคุณใช่ไหม <laughs> สัญญาเจตนาคือเห็นอย่างเข้าข้างตัวเองละมี bias perception เพีย perception แบบตรงนี้สำคัญมากคือว่าสติความรู้สึกตัวมาตัดตรงนี้เลยกด <laughs> น้าก็กวดน้าจบไม่มีของฉันแล้ว นะถ้าบายาสัสเพคชันเนี่ยสัญญาเจตนาพับจะเกิดตัญหาขึ้นมาเลยตัญหาแล้วก็เกิดวิตกวิจารเห็นตัญหาว่าอยากจะได้แล้วหรือว่าอันนี้ของฉันอย่ามายุ่งวิตกวิจารเดียเด๋ยวเดี๋ยวรองเท้าก็ตามกับมาบ้าน <laughs> <laughs> วิตกเยก็ตังต้งยินตั้งยินอยู่นะ disturbing talk วิจารนี่มัน obsessive talk กลับไปออเอามาแล้วมมหมดปัญหาไปแล้ว แต่ว่าพบมีปัญหาสร้างปัญหาต่อไปอันนี้เป็นจุลภพที่ก็จุลภพมันก็ไม่พบกันอ่้วสังขารมันเกิดขึ้นตอนไหนสังขารก็คือเนี่ยเนยะตรงสัญญเจตนาพี่สัญญเจตนาสัญญก็คือสัญญกคือสัญญาเจตนาก็ญญาาญญาคื อ, ญญคอญญเ น, อนี่ยแหละเจตนาคือกรรมสังขารคือสังขารมาหลายแห่งอย่างท้าคุณประยุทธ์จะบอกไว้เลยบางแห่งเนี่ยใช้แทงกันได้สังขารก็เจตนาอันเดียวกัน บางแข่งไม่ได้พูดถึงสังขารแต่ว่าเจตอย่างที่บอกว่าเจตนาคือพิกสุททั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมนะเมื่อเมื่อมีเจตนาแล้วก็จะทำพูดคิดไปตามเจตนานั้นก็คือสังขารอ่าก็ความคิดใช่ไม้มคือเขาเขาว่าดีอไดีอ uh uh ่ไม่ใช่ดีโวชันอะไรนึกไม่ออก <laughs> เป็นสับสั์ฝรั่งอะไรอะไร <laughs> volition c o r e c t i o n ึงมันยาก intention โอ้โอเค I say eh, karma is intention having will will what intention we act speak and think according to that wish to that will นะ t that intention นะเพราะฉะนั้นการทำแต่ทำอะไรเนี่ยมันมักจะมีเจตนาคือคือเจตนาแอบแฝงผิดแล้วเพราะนั้น คนธรรมดพุทธชนถึงมีเป็นสร้างกรรมเนี่ยเพราะว่ามีเจตนาสัญญาเจตนาเนี่ยแล้วก็ทําไมพระอรยะไม่มีเพราะว่าท่านจบตรงนี้สัญญาซื่อๆรู้ซื่อๆที่หลวงพ่อคําเกียวรู้ซื่อๆผมก็ไม่รู้ว่าเพราะาอันนี้ผมเอามาจากในสถิปติฐานสี่นะแต่ว่ามันแต่ละอันนี่มันจะไล่ายาวนะอ่ะนะอายตนะหกมีอะไรมากมนะแล้วก็ผัสสะมีรูปเสียงกินรถทําไมยังไงแล้วกเกิดวิญญาณตรงนี้แต่ละอันมันก็ยาว ผมก็สรุปเป็นหัวข้อมันก็ไล่ามาตามเนี้ยจากอายุธนาหกไงวิญญาณหกเป็นพัสสะเกิดเวทนาเกิดสัญญาแล้วก็ต่อไปก็มีสัญญาเจตนาแล้วกเกิดตัณหาพิตกกิจากก็มันสร้างอุปทานขึ้นมาแล้วก็ผมก็เนี่ยเขียนบรรยายในหนังสือหลวงพ่อคำหลวงพ่อปรโมโอเบอกไม่มีใครพูดเหมือนคุณหมอพูดเรื่องมโนเรื่องสัญญาเจตนา ไม่เคยมีใครพูดตามนี้คือว่าเราไปตึงไหอยู่พัสดุคือคนไม่เน้นเรื่องนี้ไงแต่มันมีมโนสัญญะเจตนากายสัญญะเจตนาวจีสัญญะเจตนาคือทำพูดคิดโดยสัญญะเป้นแฝงหรือว่าจักขุสัญญะเจตนาตาหูจมูกลิ้นกายโสตสัญญาเจตนาได้ยินหูตามความคิดเรา มันด่าเราเนี่ยท <c oughs> ี่จริงก็พูดถึงอีกคนหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยขาเรียกว่าโสตะสัญญาเจตนามันอายตนาหกก็ได้หรือว่ากายเวจกายวจีหรือว่ามโนก็ได้แต่ทั้งสามเนี่ยจะแยกออกไปนะครับ ถ้าบอกว่าเราไม่อันนนี้มันต้องถึงว่านาคามใช่เพราะไม่มีรูปไม่มีไม่มีอายตนะโมใช่ไหมัไหนนะครับแต่มันเลยไปแล้วมันเลยไปแล้วใช่มว่ามีสัญญาจตนาอยู่มันพวกเราทุกคนส่วนหน้าส่วนมากก็จะต้องมีเลยมันมันจาไปตรงนั้นแล้วมันมันอัลตเมทิกเลยเพราะนั้นเพราะมันไวมากเพราะนั้นมันเาบอกว่าอาวุธที่สู้กับระเบิดปรมาณูได้ดีที่สุดคืออะไร แล้วิดปรมาณูด้วยกันคือคือมันก็ไม่ถูกต้องอ่ะคือมันทําลายนี่เของวิวิทยารเนี่ยอะไรรอรอแล้วมีคําถามเนี่ยเออเป็นทําลายกันทั้งสองฝ่ายจบไม่มีใครแพ้ใครชนต่จริงๆไม่ใช่เงินมันมันไวมากเพราะนัเราต้องคือคือคือคือทราบใช่ไหมว่าวิญญาณเนี่ยคือพูดถึงขันห้าน่อขันห้าก็มีรู เวทนาสัญญาสังขารวิญญารูปนี่รวมถึงแสงสีเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะแล้วก็ความคิดด้วยนะทํามารล้วนะก็อยู่ในรูปหรือนา ม, มารูปในปฏิสัมบางที่เราจะพูดปฏิบัตแล้วก็เวทนาความความรู้สึกที่มันที่พูดแล้วสัญญาความหมายรู้จําได้ถ้ารู้ซื่อๆมันก็เป็นการทํำวิปัสสนาถ้ารู้ไม่ซื่อมันก็โดเอาสัญญาเจ ต, ตนาไปกิน <laughs> ก็คือสังขารแล้วฮะแล้วก็วิญญาณ เป็นยาก็คือใจแต่ว่าใจเนี่ยพระเจ้าบอกว่ามันมันอสารีรังแล้วไม่เป็นปาศักตร์รูปนอเอกสายางแล้วมันเป็นไปตัวเดียวต้องเที่ยวไปไกลต้องไปเป็นไปดวงเดียวด้วยนะไม่ใช่หนึ่งสองที่เขาเรื่องฤทธบุตรดลามะไปเกิดเกิดเป็นสามเด็กสามคนมันเป็นไปไม่ได้จิต ด, ดวงหนึ่งก็เกิดดวงเดียวนะมันจะแยกเป็นสามไม่ได้ไม่มีไม่มีในในส า, ลลากลรัชกาล นี่มีแล้วก็อันนี้ก็มันไม่มีรูปร่างแล้วจะเห็นมันได้ไงก็เห็นด้วยเราก็มีวิธีตามดูไงที่เวทนาบ้างที่สัญญาบ้างหรือว่าสังขารบ้างที่ให้ดูความคิดจากความคิดอันเนี้ยเวทนามันก็ดูง่ายหน่อยญญอวิญญาณดูไม่ได้ไงมันแต่ดูอาการของมันคือที่เรีกจิตสิกเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารคืออาการของมันเดี๋ยวมันแวบมาตรงนี้เออเนี่ยมันนี่มันจิตนี่ อย่างนามารูปอันนี้ชัดคือเนี้ยบ่ายอยาพูดนามารูปว่ารูปของความคิดมันสร้างขึ้นมาแล้วเออเห็นถ้าไม่เห็นมันก็สร้างต่อไปเป็นเรื่องถ้าเราเห็นพระมันหยุดเลยเพราะว่าเราเห็นมันแล้วเนี่ยมันสร้างภาพพจน์ญญเป็นตัวปิญญาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีรูปมันรู้รู้รสิ่งที่มันสร้างออกมาปรากฏคือคือมันทิ้งร่องรอยไว้อย่างพี่มีหนูแต้ถุนเงี้ยมันไม่รู้ว่าหนูมันมีขี้ทิ้งไว้ หรือมันกินเสร็จอาหารเนี่ยแล้วเธอเราก็รู้ต้องมีตัวอะไรแล้วเงี้ยหรือว่ามีแมงสาบเนี่ยเราก็อกย่าไอ้ไข่แมงสาบหรืออะไรเงี้ยมีแมงสาบแล้วลักษณะเป็นอย่างนี้นี่นั่นก็คือเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารนะจิตวิญญาณนี่แหละค่ะที่ไม่ก่อนจิตวิญญาณก็คือใจหรือมโนอันเดียวกันนะไม่มีรูปร่างที่ไม่ก่อนเนี่ยต้องไปดวงเดียวท่องเที่ยวไปไกลในความคิด ถ้าใครสามารถควบคุมจิตได้จะพ้นจากวงมานคือไม่ไม่ติดในโลกหกลงอันนี้ที่ไม่เข้าใจเพราะว่าไม่เห็นมันเลยว่าไ ง, างคือมันมีทำหน้าที่หลายอยา่างนะคือจิตคือจิต เ, เกิดขึ้นเนี่ยเราพอจะแยกได้ตัวกายใจเพราะมันมองไม่เห็นสัญญาสังขารแต่บิญญานี่เราแยก คือคึกภาพไม่บอกเพราะมันไม่มีไม่มีรูปมันไม่พอเสทันทีเหมือนกับที่เรารู้อ่าเพราะนั้นเ้าถึงบอกให้ดูเงามัอนฮเงาคือว่าเวทนาสัญญาทังขาเพราะมันไม่มีรูปร่างมันทิ้งเงาไวทิ้งร่องรอยเหมือนกับบอกขี้หนูหรือว่าไข่แมงสาบล้วก็รู้เรามีปัญหาแล้วอะไรเงี้ยแต่เราไม่เห็นตัวมันใช่แต่คือเราพอจะแยกไ้พเราเห็นตุ้มนี่เราแยกสี่ตัวได้ตัววิญญาณนี่พี่ไม่เคยแยกออกมาได้ไม่ต้องไปแยกมันพี่ไม่ต้องไปแยกมัน ทิ้งร่องรอยความคิดปุ๊บจับความคิดได้เราก็เห็นติตแล้วเพราะมันว่างจิตมันมีรูปร่างเพราะมันว่างรา้วโอ้เมื่อกี้มันคิดอ๋อมันมาจากจิตนี่เองพี่หมอครับถ้าถ้าอย่างงั้นถ้าถ้าถ้าถ้าเราเราอย่างอย่างที่พี่จิ๋นพูดเนี่ยถ้าเราจะสรุปแล้วว่าถ้าพี่ติบอกว่าไอ้ตัววิญญาณเนี่ยพี่จิ๋นไม่เข้าใจถ้าเราจะบอกว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยคือตัวเดียวกันตัวเดียวกันแต่มันทําหน้าที่ต่างกันพี่ อย่างวิญญาณเนี่ยมันทำหน้าที่รับรู้เนี่ยเนี่ยสมมติจักขูวิญญาณบอกว่านี่คือขวดน้ำนะแล้วก็จิตมันก็ความคิดโอ้นี่ขวดน้าของผมเนยมนะ ม, มนโนมโนมันก็สั่งสมอารมณ์บอกอันนี้ผมที่ที่บ้านอีห้อนเนี้ยวิญญาณคือความคิดเไม่มันมีหน้าที่สามอย่างเลยเวทนาสัญญาทังขาย คือคืออาการของจิตรับรู้เอออันเนี้ยอาจารย์ของจิต<แ>เพราะมันมันตัวไม่มีตัวมันไม่มีไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตาแต่มันทํางานหลายอย่างแต่มันทิ้งร่องรอยไว้อันนี้แต่ว่าไม่ต้องไปนสนใจหน้าที่หลายอะคือคือเป็นทำหน้าที่เป็นวิญญาณ consciousness e consciousness รับรู้อันนี้คือกวดน้ํานะีแล้วก็ทําทําจิตคิดคิดบอกโอ้เดี๋ยวจะขอพี่ขวดหนึ่งมันเย็นดีเนะีนะ่ยคิด เป็นหน้าที่ของจิตเหมือนกันแต่มันความคิดเนี้เนี่ยมันมาคู่กันแต่ไปแยกว่านี่มันจะจะแยกกันการทําหน้าที่ของใจมโนมโนว่าคล้ายๆว่ามันเก็บอารมณ์ไอะเก็บสังสมอารมณ์ดีชั่วเห็นหน้าคนนี้ก็เฟืียดมาแล้วมันบอกว่าผมเคยทำทำลายออกมาใจมันคิดเนี่ยมันทิ้งร่องรอยเป็นความคิดหรืออารมณ์ที่ว่าชอบไม่ชอบรักโกรธหลงอะ รู้แต่เวลาพี่เห็นอะไรพี่ดำจะแยกขันห้างไงฮะพยายามจะเลินให้ได้มันเอาตรงใติดแยกให้ได้แต่ว่ามันเพราะว่าสัญญาพี่แยกไม่ได้พี่พี่แยกอีกสุดตัวได้ทันทีอ๋อก็ั้นดีแล้วพี่ก็ดูดูดูเงามันไปแเดี๋ยวมันก็เห็นเองอ่ะจะจะจะเห็นเมื่อเมื่อมันว่างจากไอ้สามตัวแล้ว้ามันยังมีร่องรอยเพรยังไม่เห็นใจพี่บอกคําว่าทิ้งร่องรอยเนี่ย เราจะอธิบายได้ไหมคะว่าวิญญาณเนี่ยมันสามารถจะตัดได้ทีละตัวทีละตัวเหมือนทิ้งร่องรอยไว้แต่วิญญาณจะไม่สามารถจับทีเดียวสองสองอย่างได้จะจะถ้าถ้าถ้าแบบนั้นเหมือนทิ้งรอยขี้หนูไว้อ่ะแล้วถ้าไปจับตรงนี้ปั๊บเหมือนหนูเราไม่เห็นหนูแต่เราเห็นแล้วว่าวิญญาณมาจับตัวนี้แล้วมันก็ไปแล้วก็ทิ้งขี้หนูไว้ให้เราเห็นแล้วเดี๋ยวอีกวิญญาณก็ไปจับอีกตัวหนึ่งเราก็ต้องคิดทําอะไรเนี่ยสังขารเลย เราต้องแก้ไขเพราะมันจับพร้อมกันไม่ได้วิญญาณเนี่ยมันมันจะเพราะมันจิตมันอยู่ในอารมณ์เดียวไงแต่มันบางทีมันเริ่มมันสอดคล้องกันทันทีที่เราเห็นขี้หนูต้องกำจัดแล้วทันทีใช่ก็เป็นความคิดไปแล้วขอพูดอะไรอ่ะดีครับดีเข้าใจยังไม่เข้าใจนะความที่มีความที่ผมเข้าใจนะเขเขาคิดตรงแล้วเขาว่าวิญญาณเนี่ยนะมีหกอย่างเกิวิญญาณที่เกิด คือว ญ, ญาณเนีคือการรู้แจ้งรู้แจ้งของอารมณ์นะเขาลู่ทาทา ง, ทา ง, ทางอะไรออกจากปุญญาตรงตับวิญญาณิวหาวิญญาณขานะวิญญาณกายวิญญาณแล้มโนวิญญาณนะครกต่างมในการที่จะรู้อะไรเนี่ยมันจะประกอบ ด, ด้วยอายตนะภายนอกกับภายในน่าเล่าเกิดมีปัจจัยครบทุกอย่างเช่นมีแสงา ก, การเห็นรูป นะถ้าเม่มีแสงมันก็ไม่เห็นนะคือแหวรอยเป็ตัว อ, อย่างครบนะตั อ, อย่างคบเรียร้อยขณะดพี่เคยสัมผัสเปรี้ยงกันนะรู้ว่าอันนั้นเป็นนั้นเรารู้ครั้งแรกที่อันนั้นอันนั้นจักรคูวิญญาณนะั้นคือจักรควิญญาณนะแต่นั้นนะตอนนี้มโนวิญญาณเนี่ยเราเป็นอย่างนี้คำว่าจะเกิดขึ้นได้มันจะต้องมี object เนะี่ยตัวประสาตแบบสิ่งประกอบอีกนั่นเองมันนี้จะเกิดปีศาจขึ้นมโนก็เหมือนกัน จะต้องมีอะไรมาเข้านะมาเข้ามาเป็นปัจจัยทีเข้าเช่นเรามองเห็นรูปเห็นร่างคาสุดเห็นร่างคานะีจะกรูปัญญาณจะเห็นแต่เพียงว่าแสงสีของร่างคาเทอา น, นั้นแต่มันมมไม่ได้ไปเห็นแปว่าเออนี่เป็นร่างคานะ่รู้แต่ว่าอันนี้เป็นแสงสีของอ น, นั้นต น, นั้นแต่มันจะส่งหลังจากที่เห็นรูปนั่นแล้วมันจะส่งไปที่มโนปัญญาอีกทีหนึง ที่มโนวิญญาณเท่านั้นที่จะรู้ว่าจะอาศัยนี่คือสังขารมันจะอาศัยสัญญาที่เราเคยมีไว้แต่เราไม่เคยมีสัญญาเลยไม่รู้อะไรเลยนี่เราก็ไม่รู้อะไรแต่มันจะอาศัยสัญญาที่เรามีอยู่นะฮะอันนั้นนะมันเกิดที่มโนวิญญาณว่าในสิ่งที่เราจะรู้อะไรว่าเป็นสังขารหรืเป็นอะไรเท่านี้อะไรต่างๆมันเป็นอะไรเันอยู่รู้ที่มโนวิญญาแต่อันแรกเนี่ยจำที่ พยาธทางห้าแหวนเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ต้นๆแค่นั้นเปนการรับรู้เพียงเดิมต้มันไปส่งต่อให้ป ร, ระสบเพราะว่ามโนวิญญาณไม่เคยออกมาเลยแต่ทำไมมันรู้ไปหมดเลย<ช>มันไม่ต้องมีมันมีกองสอดแนม<ช>อยู่ห้าตัวาตาหูจมูกเลี้ยกายไปสอดแนมมาแล้วก็ตัวมันก็จบตรงนั้นนะแต่สมมุติเราที่เคยเรียนกันนะทุกพวกพี่เป็นพยาบาลกันใช่ไหมคุณน้อยไม่ได้เรียนอพวกหมอพยาบาลจะเรียนอย่งเมื่อตาเห็นรูปเนี่ย มันก็ผ่านเลนผ่านเลตินน่าแล้วมันมันก็มันเปลี่ยนเป็นอิเล็กทรอนิคอลอินพัลส์ก็ได้โรดอปซินเคมีเล็กโทรเคมีคอลแล้วมันก็วิ่งไปตามแพทเวิร์มันคริสครอสมันควายกันตรงนี้แล้วครึ่งนึงไปอยู่ข้างซ้ายครึ่งนึงไปตามออปติกแทร็มาอยู่ตรงเนี้ที่วิชวลคอร์เทกซ์มันจบตรงนั้นนะที่เราเรียนนั่นคือจักรคูวิญญาณจบแล้วแต่ว่าแล้วมันส่งมันต้องส่งไปมโนวิญญาณถึงจะรู้เรื่องอันนี้ น, นี่มีอยู่ในวิธีจสิบเจ็ดขั้นเมื่อพูดไปเมื่อสองพันห้ารอปีกว่ามาแล้วแต่ว่าวิทยาศาสตร์เพิ่งเจอภายในยี่สิบสาิปีเขาบอมันไม่ได้จบตรงนี้นะมันทำฟังชั่ i เอ็มอาร์ไอสแกนสามารถเจอว่าตรงนี้เขาเรียกว่าจักขุทวารวัชนะจิตแล้วนะมันก็เกิดจักขุวิญญาณจักขุ มโนทวารชนะจิตแล้วมันก็จะส่งมาที่มนโนวิญญาณเขาเรียกสัมปติชนะจิตจากวิโชคาเท็กส่งมาตรงไอ ห, หนีบมัดตรงเนี้ยตรงซอก super temporal gyrus ตรงเนี้ยมันจะอินทัพริตเขาเรียกสันติชณะจิตคือตีค่าขวดน้ำสันติชณะจิตท่านี้ต่อมาก็มันเกิดโวทธรรมชนจิตคือคือให้ข้าละโหน้ำเย็นอร่อยหรือว่าอันนี้เป็นโคกอร่อย ไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็ต่อใน้าถ้าถึงตรงนี้เนี่ยมันจะสวยอารมณ์แล้วเ้วเรียกว่ า, าชาวนาจิตเจ็ขขดขณะแต่ดขณะตามมาแล้วมันจะจำว่าโอ้ยี่ห้อนี้อร่อยแล้วกลับไปซื้อทาตาท า, ท า, ทาราานาจิตอีกสองขณะทั้งหมดก็รวมเป็นสิบเจ็ดขณะซึ่งอันนี้เขาบอกว่าตาที่มันจุดประกายที่จากวิชวลคาเท็กเนี่ยมันส่งมาที่ที่ตรง Super ซูเปอร์เอรจะ่จะตีค่าเนี่ย ก็จะเป็นสันติรจิตคือคืออินเตอร์ปริทเนี่ยตรงนี้แล้วมันมีสามารถบอกได้ว่ามันฟีดแบ็5้าเท่านะจากที่เข้าไปแล้วมัเพิ่มมั น, ม, นมันเกิดเนี่ยเกิดสัญญาเจตนาเนกิสัญญาเพียวก่อน<ม>เพียวเพ<ม>ต่อไปเนี่ยเป็นตอนนี้มโนวิญญาณมาทํางานแล้วที่ตีข้าเนี่ยแล้วก็เกิดสัญญาเจตนาเนี่ยมัน5้าเท่าเลยคือโวตมาริตรแล้วมันก็เกิดเสวยอารมณ์ ใช่ใช่ไม่นันมันไม่รู้มันตายอยู่แล้วฮะท่านจะแยกว่้ไงมีมีปัญจุปันจุทวาวัชรจิตคือตาหูจมูกนิ้กาห้าแล้วก็มีมโนหยาญแยกไว้น่อันที่หกแยกกันเลยเพราะว่ามันรับจากไอ้ห้าตัวเนี้ยตัวมันไม่ออกมาเลยใจมันจะไปรู้ได้ไงตามส่งมาเพอตาส่งมาโอ้ขดน้ำรู้ท่านท่านเป็นตัวให้ข้าเนะ แล้วก็เนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่ามันเกิดที่ที่พี่พี่นรงบอกเนี่ยอายตนะหกเกิดวิญญาณทั้งหกพัทธะท่าสิบแปดแล้วเนยแล้วเกิดพัทธะเพราะฉนั้นเขาถึงบอกแล้วเวทนาเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเวทนาพุทธเจาบอกว่าเหตุของกรรมคือเวทนาตรงนี้ต้องดูให้รู้เร่ความรู้สึกที่มันพัทธะพัทธะแล้วเกิดเวทนาเพราะมันเกิดสัญญาตามมาอันนี้การทํงา ง, งานของขันห้าแล้วนะเวทนาสัญ ญ, ญา แล้วท่านบอกสัญญาเจตนาคือสังขารเนี่ยนะที่สามตัวนั้นเลยเรียงกันเลยแล้วเพรามันก็ส่งต่อไปแตตั้หาแล้วคิดอันนี้เป็นทั้งสังขารทั้งหมดคิจตกวิจารณเพราะมันก็เนี่ยมันเวทนาสัญญาสังขารทําหน้าที่จากอายุร刹那หกมารวมกับคันห้าโดยที่ตัวมันเองก็คือมโนวิญญาณเป็นตัวที่มาตัดสินทั้งหมดคือตั้งที่มันไม่มีตัวตนเลยมันซ่อนอยู่ข้างหลังหลางชะเพราะ นักวยาศาส์หามา ก, กว่าร้อยปีแล้วยังไม่พบว่าไอตั ว, ต, วตัวเนีี้พระเอกที่มันคอยบงการเนี่ยว่าโจรอยู่ที่ไหนหาตัวจาาไม่เจอเซออบอยู่ตรงไหนแต่ว่ามันมันมีพฤติกรนมอย่างเงี้ยหามาตลอดแล้วเกือบร้อยปีแล้วยังหาไม่เจอเพราะมัน t e m p o r a r y existing แล้วมันก็ดับแล้มันการสมมุติขึ้นมาเพื่อจะตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ถึงเดมาซโอถึงบอกว่าขณะที่เราเห็นเนี่ย เราสร้างภาพมโนภาพขึ้นในสมองเราก็สร้างความเป็นอัตตาพร้อมกันไปด้วยพระเจ้า ก, ก, ก็ไม่ใช่สัญญาสัญญาเจตนาสองขั้นตรงนี้สำคัญมากเพราะสติความรู้สึกตัวตัดตรงนี้เลยเพราะอาหาันแล้วจบแค่นี้ไม่มีสัญญาเจตนาทุกอย่างท่านเป็นกิริยาหมดเลยไม่มีฮิต d ต n a g e n d เจนดถ้าเราอธิบายในหลักการของวิทยาศาสตร์มันคนนนล้ายๆเรขาคณิตศาสตร์คณิลักที่ว่า พอรำแสงกระทบกับฉากอะไรก็ก่อนได้เก ล, ลียดเลยขาคณิตมากแต่พอเริ่มทําความเข้าใจหลักการปฏิจจสมุปบาทแล้วก็มันทําให้ความเข้าใจมันมันเพิ่มขึ้นทีละนิดในลักษณะที่พี่หมอกับคุณน้อบอกว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยมันคล้ายๆลักษณะแสงมากระทบกระทบเจอฉากฉากคือคือมันพอพอเราเริ่มเข้าใจตรงนี้มันมันเข้าใจที่ถูกต้องไปก็เริ่มภาษาภาษาพระภาษาแล้วมัน แต่ว่าเมืนแล้วก็เอ้สมองะมโนมโนวิญญาณมันมันมันจะบอกมันคือเวทนาว่าคืออะไรมันจะให้ข้างสัญญาด้วยสัญญามโนวิญญาณนี่ก็เหมือนตอินเทอร์คชันใช่เราะทุกครั้งจะต้องมีมโนก็ถ้าไปอ่านหลวงปู่ดูลจะบอกว่าเนี่ยมันมีปัญจทวารวัชนจิตมโนวิญญาณวัชนจิตรหัสสิทุปบาทอันที่สาคือจิตผ้าหัน คือจะขึงยิ้มจิตจิตที่ว่ามันหลุดพ้นแล้วก็ขึ่งยิ้มยิ้มน้อยๆเพราะวาเห็นว่าไอ้อ น, นี่มันหลงมันโง่เพราะฉะนั้นวิญญาณที่ท่านพูดถึงก็คือมโนวิญญาณนี่เองใ่ไหในในปฏิทิโศบาทอันตัวที่สามเนี่ยคือวิญญาณ<ม>คือคือคนจะแปลว่าโอ้วิญญาณหกไม่ใช่ตรงนี้เพราะมันยังไม่ถึงสญาจตนาแต่มันเป็น ต, ตัวตัวมโนวิญญาณที่โดนย้อมไปแล้ว แล้วเราเราค่อยพูดตอนบ่ายกันแล้วกันนะั่นะว่ามันจะยาวไปมีคำถามอะไรไหมครับเ ท, ที่ยงพอดีไม่หิหวว่ <c oughs> แต่ว่าอีกห้านาทีอ่าเอาให้ถามอีกห้านาทีพ <c oughs> <c oughs> ี่ก็ยิ่งคอไใครวยเฮ้ย ซึ่เราก็ไม่ทราบว่าผู้พี่ต้องขออนุญาตนะคะว่าผู้พีส่วนมากที่วันนี้ตั้งใจว่าจะปฏิบัติหรือว่าจะแบบแบบให้คนทําหรือว่าคือเดี๋ยวเดี๋ยวมีบายนี้ปฏิบัติก่อนแล้วถึงมามาคุยกันเนี่ยมาเช้าเราก็ปฏิบัติพื้นฐานแล้วนะตอนนี้เราทาเองกลัไปสักชั่วโมงหนึ่งหรือไงเลยจะสองชั่วโมงครึ่งก็ได้ถ้าจะดูจิตเนี่ยต้องดูแบบไม่ต้องทํ า, ทาอย่างนี้ได้ไหคะพี่ก็ได้พี่ถ้าคนเก่งแล้วพี่ดูจิตไปเลย แต่พี่อย่าไปหลบข้างในนะต้องออกมาข้างนอกมาเดินหรือว่าวิธีเดินมันก็คือเนี่ยนี่ก็เดินด้วยมือไงมันดึงออกมาพี่ต้องรู้ข้างนอกแต่ว่าถ้าพี่จะบวแล้วอ่าหลับไปข้างในมันก็ไม่ได้ต้องดึงออกมาผมก็เทียนใช้บอกว่าให้อยู่ข้างในหส่วนข้างนอกสี่ส่วนไม่นั้นมันจะไปหลบอยู่ข้างในโลกไปเนะี่ก็จะได้แต่สมถาถะพอเราออกมาโลกภายนอกด้วยสี่ส่วนเนี้ยมันก็สัมผัสกับสิ่งภายนอก มันก็จะเกิดปัญญา ง, ง่ายเหมือนไปยืนอยู่ปักถ้าอย่าไปอยู่ในถ้ามีบากถ้ำก็จะเห็นทั้งข้างนอกในถ้าจะเห็นกายเวทนาจิตธรรมที่มันเกิดไม่เนะี่ยถ้าไปอยู่ข้างในจะเห็นแต่จิตอย่างเดียวจิตที่มันสงบแล้วมันก็สุขสุ ข, สขแล้วมันก็คือวิทยาศาสตร์บอกว่าเวลาเราคิดเนี่ยมันคลื่นสมองมัน14ถึง37เฮิร์ตไซเคิลเพรสเซชันคือหมุนหนึ่งรอบ เวลาคิดคลืกเบต้าเวฟถ้าอัลฟาเวฟเนี่ยเทต้าก่อนเตต้ามันเริ่มรีแลกซ์เจ็ดถึงสิบสี่นะมันเริ่มรีแล ก, กซ์สมมติจะซึมๆ้ากาศาพอใต้ลงไปก็เป็นอัลฟาเวฟเหลือสี่ถึงเจ็ดมันช้ามากนะวินาทีมันยางไงฮะแค่นนนหนึ่งวินาทีนะ ถ้าปกติมันสมองมันทำอย่างเงี้ยถึงนี้นาทีแค่เนี้มันวิ่งไปตั้งสามสิบเจ็ดแล้วแต่ว่าพวกทําสมาธินี่มันเดลต้านี่มันสองถึงสี่เวลาหลับเนี่ยหลับสนิทแล้วพวกเข้าชานี่จะจุดสองห้าถึงจุดห้ามันเดลต้ามีสองอันสองถึงสีก่กับกับอจุดห้าถึงสองซับเดลตา้า มันพระพกชานนี่กเราเคยเรียนไงที่ท่องพระไยมณีเข้าฌานนานนับเดือนไม่เคยเลื่อนขึ้นกรอยากจำสินกินวาตาเป็นภาษาศุกร์ขึ้นมาคือเป็นตัวแข็งมันทั้งทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนอย่างหลวงปู่คำกระดิ่งเนี่ยเขาไปเจอท่านปวกขึ้นขาแล้ว <c ười> คนเราเปลานสามวันกว่าจะฟื้นอนที่โกรธใหญกคือคือมันกเอาเอาเจะน อ, อกอะไรไปอีกอกทิตย์นึงก็จะบรรลุธรรมแล้วอะไรอย่างเงี้ย ว่าท่านสงบมากไงโปกมาขึ้นขาได้เออคืออยู่ในนั้นศพก็ไม่เน่าถ้าเป็นศพมันจะอย่างเงี้ยอย่างเซียนซูก็ตายไปในท่านั่งตัวแข็งไปเลยอะไรเงี้ยมันพวกอ่าได้ยินว่าเงินเห็นว่าลูกสาวบอกไปคุยกันตายลูกสาวไม่ทราบนานแล้วเรื่องมันเกียนที่ไปชี้ประชาเนี่ยพี่จําได้สมัยเราเด็กๆท่านไปชี้ประชารคุณตลไม่เจริลงหมดเลย เส้นสูงท่าดเป็นคนทอาดปลาต้องโกอยู่ที่ชนบุรีคนชนบุรีไม่รู้จักแต่คนข้างนอกมาก็แห่กันมาเยอะมาหาท่านอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราไปหลบข้างในเนี่ยมันไม่เห็นความคิดไงมันสุกจริงแต่ว่าพวกวิปัสสนาเนี่ยจิตมันวิ่งที่ประมาณเก้าสิบถึงร้อยเพราะมันมันเปนคนพี่ขับแปดสิบเก้าสิบพี่จะเห็นคนขับสามสิบเจ็ดม ชั่วมันก็หันมาดูเอ้ยนี่เพื่อนเรานี่ว่าก็คือความคิดหนึ่งอ่ะแต่ถ้าพี่อยู่ตรงจุดสองห้าถึงถึงจุดห้าเนี่ยมันสงบจริงแต่โอ้โหเขาไปนู่นแล้วไม่เห็นเลยมันพาเราไปนีมันไม่ใช่ทำปฏิบัตแตไม่ได้ทำสมถะใช่เขเข้าใจิตปฏิปัสนาเขาดีพี่อย่างพระอนนท์บอกมีสามอย่างคือทำด้วยสมถะแล้วต่อด้วยปปัสนาคือเห็นว่า อารมณ์สงบข้างในมันก็เคลื่อนไหวได้มันแปะปลวดมันไม่นิ่งตลอดเลยละนั่นคือวิ ป, ปัสนาการนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสนาจะจบด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าเห็นนั้นๆมากๆพี่จะจะสบายเลยเพราะว่าติดพี่มีพลังนะคือเริ่มออกมาจับความคิดได้แล้วคือถอนออกมาจับภาษาพระเลยจริงๆถ้าเห็นมันก็ไม่ถอนไม่ถอ น, ถอนก็เห็นมันล่ะแต<ง>่ว่าถ้าเผื่อว่าบางคนทําวิปัสนา คบคู่ก็นเหมือนเช่นอาดาปารัสติควบคู่กันหรืออย่งขององค์พระเทียนนี่มันคล้ายๆวิปัสสนานำเพราะฉะนั้นพวกนี้จะไม่ค่อยเกิดมันมีวิตกวิจารเพราะเราอยู่กับนิมิตของการเคลื่อนไหวแนบแน่นอยู่แต่ว่าปีติสุขไม่ค่อยมีไปเกิดสมาธิอ่าเพราะมันเน้นไปทางปัญญามันก็จะออกมาทางน้นมันก็ไม่ค่อยตรงกับพี่แต่ว่ามันใช้กันได้อ่ะพี่ก็ขยับเปลี่ยนไปไปมา ถ้าเรารู้ว่าเราหนักปัญญธรรมปะญาแล้วก็ออกมาทำทนิัสานาย่งอาจ า, ภ า, ภารย์มหาประเสริฐที่วัดป่าที่คุ้นเคยท่านสอนธ ท, ท่านทันทีท่านให้อุมน้เย็นเนี่ยอ้าจิตนิ่ง้วอ้าหมอไปเดินเออใหาไปเดิ น, ดนทำไมอ่ะเพื่อจะให้เห็นความคิดก็จะเห็นไอ้เ น, นี่ยอนิจจางทุขังนราตาเห็นใตลักคว่าถ้าอยู่ข้างในมันโอ้มันสบายนิ่งเพื่อนผมมาเาโอ้ฉันทำไม่ได้หรอก แค่ก า, ามันเลีเล้ยวๆอะไรอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องมองข้ามสิ่งพวกนี้ไปเด<ม>ินวิธีรัดที่ทา่านสอนที่ยังท่านเลกเอาเลยก็ได้อ๋อใช่ถ้าทําเก่งในเขาเรียกว่าวสีวสีเหมือนพระโมคคลาเนี่ยทันทีที่จะทํำนิดนี่มันต้องเข้าฌานสี่แล้วออกจากฌานสี่แล้วตั้งอธิษฐานจิตแล้วก็กลับไปฌานสี่ผลักมันเข้าไปแค่เกิดพลังเหมือนก็อัดกระสุนก็แล้วก็ ก็มีพลังอยู่แล้วจุดประทุแล้วนะเร็วมากแค่เขาบอกแค่งูแล้วพีนท่านก็เสร็จอตรงนั้นแล้วคือบางคนไวมากเพราะมีวสีอย่างพี่ชำนาญจิตพี่มีความคล่องแคล่วตรงเนี้อย่างเนี้ถ้าพี่กําหนดจิตจะทําอย่างนี้ได้นะมีพลังไม่ได้หรอกคะ <laughs> อ<า>่ะกำหนดจิตเท่เานัา้ยังไม่ได้ก็กําหนดดูดูวิปัสสนาสิ่งนี้อ น, นิจจังทุกงังกัลตระ มันแต่แม้กระทั่งมันก็ไหวนะมันไม่ได้อยู่นิ่งจะลอ <c oughs> ก็เป็น ค, คุณคุณคุณลักษณะพิเศษที่พี่มีคือหลายคนทำไม่ได้ ท, ท่านสอท่านเครนให้นใหคนนึกปั๊บก็ขึ้นเลยท่านจะบอกคนนี้จิตพกปกที่ทำมันะเทียนจิตมันเหลืององ <c oughs> <c oughs> ร <c oughs> มันอตาเหลืองเฉดที่เมื่อกี้ที่น้อยแมนชั่นก็เลยแสงอะไรนี่แล้วก็รีเฟรไหรือแสงสัมบอมเน่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยในพุทธศาสนาเรานสอนว่ามันเป็นอนัตตาตัวตนของเราไม่มีแล้วก็ตัวเราเนี่ยเป็นขานห้าอย่างนี้คบในน้ำบ่งไฟ สคือที่เห็นตัวเราได้เนี่ยเพราะแสงสีมันต่ า, า ก, กันถ้าไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีตัวเร า, าคือคือนัอ้นเป็นลักษณะของรูปรูปจะํะมันจะมีลักษณะสามสี่อ่ในแต่วิทยาศาสตร์เลยนะแบบหนึ่งมีแสงแล้วมีสันทานอาจารย์ดิเรกเคยสอนที่ว่าที่เห็นเราได้เพราะว่าแสงกระสีมันมีทําให้เกิดเชฟเนี่ย แต่บางคนหมามันเห็นก้อนข้างไปทางขาวดำนะมันก็เห็นสีก็โคนมันน้อยแต่มันก็มี sharp perception จมูกไวตรงเี้ยแทนขึ้นมันมีสันฐานแล้วก็ position ด้วยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ movement เนี่ยอะไรว่านกเพราะมันเคลื่อนไหวได้หรือมันสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตต้นไม้ก็สีตัดกันมีเชฟไปตามสีแต่บางทีมันไม่ไม่นิดก็ได้มันขาวดาก็ได้นะอย่างเราเราดูรูปขาวดาแล้วก็บอกนี่ต้นไม้ ไม่ต้องมีสีแต่มันก็มีสีขาวดำต้องพูดไปแล้วแต่แสงของจริงๆริงนะพี่หมอตามตามไขออนุญาตแชร์เอ็กซ์เพเรียนของน้อยเมื่อเมื่ออาทิตย์นี้เองค่ะว่าแสงสีนี่มันมันมันมีนมอํานาเพาเวอร์ฟูมากสําหรับเบรนของเราโดยที่อะสป라이ดของเราเนี่ยส่งแคตตาล็อกมาแบบว่าคือเขาทําไม่ทันในคริสต์มาสส่งขาวดํามาเนี่ยมันไม่เกิดความสะท้อนให้เราได้สนใจ แต่พอไปเปิดเว็บไซต์ปั๊บการสั่งงานของเราโอเอานี้เยอะเอานี้เพิ่มเอานี่เพิ่มคือคือมันมันเอฟเฟกต์เบรนเรามากเลยซึ่งซึ่งซึ่งน้อว่าการมันมันมันก็เกี่ยวกับหลักหลักพวกนี้เหมือนกันนะพี่บอกว่าถ้าเราเข้าใจตรงนี้คือความรู้สึกของน้อยนะคะว่าการศึกษาธรรมะนี่ก็คือพระญาติท่านเพียแต่ว่าให้เราเอามาทำไงเพื่อช้ากับชีวิตประจำวันเราได้ไหมนี่มันุงแต่งมากขึ้น คือคือน้อยนี่คือ enjoy ปฏิจจสมุปบาทมากเลยเป็นคนที่ enjoy ปฏิจจสมุบาทเป็นระบบ P.R. ที่เขาเขาสามารถ reach marketing อย่างคนไข้ผมคนหนึ่งอ่ะเขาเป็น C.A. เอสตอนหักแล้วเขาอยู่ในโรงพยาบาลเขาบอกทรมานมากเขากินอะไรไม่ได้บอกอยากรู้ไหมชั่วโมงหนึ่งอ่ะมันโฆษณาเกี่ยวกับาหารกี่คนเราไม่เคยคิดนะหกคนชั่วโมง and I c a n eat t s very bad suffering มันบอมบารมากบางทีคือแต่พอเราเข้าใจของหลักๆของของพระเจ้านี่นะคะมันมันทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจคนอื่นได้ง่ายขึ้นปล่อยวางได้ง่ายขึ้นมันมันเหมือนจะแบบพี่ดูเสร็จแล้วว่ามันเมื่อก่อนเนี่ยเบื่อมากเลยเบื่อเบื่อแบบว่าเออคือมันคือมันมันสําคัญคือตรงนี้ไอ้ไอ้ัรรษานี่คือคือมีพระสูตรพะยะสูตรคือว่าท่านบอกว่าพะยะให้เป็นพ่อค้าแล้วเหลือแต่ จะมาสวนอูุมเนี่ยบ้านเราที่ที่เมืองไทยไม่ใช่ที่นี่อันนี้ u s เอเอันนี้โคลัมบัสโคลัมบัสมาเอาพริกกับเมสกับปอเตโตกับไปกับทอมอโต้ไปช่วยยุโรปแต่ว่าอันนี้อันนี้เขาจะมาสวนเรือแตกแต่ว่าขึ้นซัดมาที่ฝั่งอะใกล้ใกล้โกสัมพีอะอ ม, มาก็แก้ผ้าลอนจอนก็ไปเอาไปไม้มานุ่งหนึ่งเอา ผมพัปิดตัวคนบอโอ้อาหารเดิน ม, มาแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ก็เอาอาหารมาให้เอาอะไรมาให้เขาไม่ยึดอะไรเลยนี่เป็นที่มึงเขาเรียกลทัทธินิครนจีปเปลือยอะที่คำพรที่คำพ ร, ำพรบางคนชื่อที่คำพรไม่ค่อยดีนะแต่เขาสะกดกละแบบ <c oughs> ทอทอสระอี <c oughs> ที่คำพร <c oughs> นุ่ ง, ลงหลมผมฟ้า <c oughs> นุ่ ง, ลงหลมผมฟ้าจ <c oughs> <c oughs> ีปเปลื่อย <c oughs> แต่ว่าถ้าสะกดคนละแบบอันนี้ต้องไปไปเปิดดูเขาเดี๋ยวผมไม่ไม่คอละคังตัวนี้เขาจะคอคอควายรู้สึกอ่าแ่เมันอเมื่อไปอ่านแล้วม่ค่อดีก็มีคนชื่อได้หรือว่าถ้าสะกดคนละแบบเดที่คือก็มีก็บนิครนคือพระวีระเนี่ยแต่ท่านพงไม่ได้ แต่แต่ไปดูถ้าไปดูท่านเอรลอล่าเนี่ยเขาก็ถ่ายว่านุ่งร่มผมฟ้ า, า, า, า, า, า, า, ากันก็สลับรูปยหย่ๆเมยจูปากรานองก็ใครๆก็วนุ่งร่มมาคือคือพวกเนี้ยคล้ายๆว่าเขาเขาเขา เ, ขา เ, ขาเป็นเป็นเนี้ยเขาก็อยู่สบายดีแต่และเพื่อนในชาติก่อนเนี่ยที่ปฏิบัติธรรมกันแล้วตายแล้ว คนหนึงเป็นนาคามีก็กลับมาบอกที่เหลือสองสมคนบรรลุเป like, ็นอรหันตัวท่านไม่บรรลุก็มาบอกมีพระพุทธเจ้าเกิดแล้วนะโอ้ยังงั้นเหรอไปฟังธรรมสิก็พ่อมาทั้งคืนวิ่งมาคือจากโกสัมพีมาสาวถีเนี่ยมันยิ่งมันไกลมากอย่างน้อยก็เป็นสองร้อกิโลท่าบอกพ่อมาทั้งคืนไปถึงวัดเชตาวันไม่อยู่อามพระบอกไปเป็นท่านเินเบญบัติก็ตามไปที่ตลาดเบญจบัติ ไปเกาะท่าพระเจ้าบอกขอให้สอนหน่อยท่านก็ไม่ไม่บอกเห็นว่ามันหอบผือมันไม่ไหวสมองไม่รับรอบสองบอกก็ขออีกบอกยังบอกเลยว่าชีวิตมันไม่แน่นะจะสั้นอะไรเงี้ยจะเป็นอะไรไปก็ได้ท่านก็อย่างบอกยังไม่พร้อมไม่สอนบอกฉันกําลังบินตบาทอยู่ไปท่านบางบิซี่อ่ะมายุ่งอะไรนี่ก็มึนก็ปัดไปแต่ว่าครั้งที่สามเนี่ยพูดซ้ําอย่างเงี้ย นั่นก็เห็นพร้อมแล้วก็เลยสอนบอกฟายะตั้งใจฟังนะเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินรับทราบสักรสกรับทราบว่าเป็นแสงสีเสียงสมุ่กลิ่นรสโอตาตะอารมณ์ที่มากระทบรู้แจ้งสักก็รู้แจ้ง ร, รู้แจ้งว่าเป็นการกระทบเป็นพัทธะเป็นเวทนาเท่านั้นเองเนะตั้งเออทำให้ได้อย่างนี้นะเห็นสักแต่ว่าเห็น ได้ยินสักการได้ ย, ยินรับทราบสักการับทราบรู้แจ้งสักการู้แจ้งเมื่อนั้นความเป็นเธอย่อมไม่ปรากฏเมื่อเธอไม่ปรากฏเธอย่อมไม่ปรากฏในโลกนี้โลกหน้าแล้วระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละที่ที่สุดทั้งทุกข์ระกอบท่านเป็นอรหรันต์ตอหน้าเลยสอนสั้นที่สุดแล้วท่านก็ขอบวตเป็นโยมก็ไปหาอัตไปหาอะไรอัตบริวารเขาเรียกอะไรอ่าไปหาบาจีวรน่ะ แล้วก็โดนวอกแม่วอกิดตายก็เลยไม่ได้บวดคือเขามาทำขราวเจดดาวมาเขียนเป็นเรื่องการมปนนิสวาสธิเมอร์เชนดับโคสัมพีเขาเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เขาได้โนเบลฟรายในในหลายๆ ล, ยลยเรื่องที่โขาพก็พุทธเจ้ากลับจากฉันจากบินตบากับพระเดินผ่านตลาดมาเห็นพายะนอนตายอยู่แล้วบอกให้พระเก็บศพไปทาจา ร, รกิจคือเผาแล้วก็ ทำศัตรูให้น่ะพระก็ไม่ว่าอะไรพระพุทธเจ้าสั่งก็ทำทำเสร็จก็สงสัยพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขามีคนรู้สองคนนะัที่รู้ไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ภัยยะงั้นเขาเฉลยให้ฟังว่าว่าคนเนี้ยบรรลุธรรมด้วยการสอนที่สั้นที่สุดเป็นพระลาหันแล้วตึงทำศัถรูให้พระทําสถูู mm hmm. ที่จะเอาอาัฐิไปเก็บเป็นพระาธาตุไปแล้วมืนอย่างน่ะแต่เนี้ยไม่ได้บอก <laughs> ก็เป็นเป็นสิ่งที่มันสามารถคือเห็นเห็นเหตุก็คือที่ว่าโลกนี้โลกหน้าแปลว่ามันจุลภพความคิดหนึ่งวงจรเนี้ยคุณเกิดอัตาขึ้นมาแล้วเนี่ยจากภพนี้ภพหน้าหรือระหว่างภพทั้งสองความคิดอันเนี้ยหน้าเนี่ยระหว่างนี้คือไม่มีตัวตนแล้วทุกขณะจิตไม่มีตัวตนวก็หลุดพ้นนั่นก็เป็นอราหันต์ที่ตรงนั้นคือเห็นความคิด คือเข้าใจว่าคือกรรมเกิดจากเวทนาพัฒนาเวทนาเกิดตัณหาสัญญาเจตนาที่บอกรจะพักทานานก่อไชั่วโมงด้ครับาโสัอได้ทีนีบาโเนี่ยหมอจะให้พวกเราปฏิบัติปฏิบัติซะหน่อยเพราะไม่นั้นคุยกันตลอดไม่ได้เลยเลยมีแต่มีแต่เตียรีตั้งชั่วโมงแล้วมาคุยกันปฏิบัติชั่วโมง แล้วจะต่ออีก น, นิดหนึงก็ได้หลายสององตรงให้ทุกคนเข้ามาเข้ามือได้ครั บ, รบผมขอเวลาสักสองนาทีได้ครับผมอยากจะอธิบายว่าผมกําลังทําอะไรแล้วอาจารย์บอกผมว่าผมทําผิดหรือเปล่าเผื่อว่าผมจะได้เลิกไม่ทําอีกครั้เช่นไรับผมปฏิบัติทำมาประมาณหนึ่งปีโดยทําตามคํ า, าแนะนําของอาจารย์ที่บอกว่าให้ไปดูนังสือของอาจารย์หลวงพ่อเทียนค่ะ แล้วผมก็มาวาดภาพซึ่งอาจจะเป็นความโง่เขาของผมก็ได้ความคิดของผมเป็นแบบนี้นะฮะการดูจิตเนี่ยนะผมก็รู้ว่าอายตนะเนี่ยภายนอกภายในจา ก, กันแล้วมีวิญญาณนะฮะแต่ละอันแล้วก็ไปเข้าที่มโนวิญญาณอ่าถูกต้อ ง, งาจากนัน้นจะออกมาเป็นกระแสะความคิดนะฮะ ไอ้กระแสะความคิดเนี่ยมันจะมีทั้งเวทนาสัญญาและสังสารอยู่ในกระแสะความคิดนี่นะฮนี่เป็นความวาด้าของผมและขณะเดียวกันไอ้กระแสะความคิดถ้ามันออกไปเนี่ยนะเราไปจับมันมันจะมีไอ้โลภโทสะโมหะอยู่ในนั้นด้วยวนะเพราะฉะนั้นเวลาผมปฏิบัติเนี่ยนะฮะนอกจากใช้สติของผมดูกายนะ เพื่อให้มีสติแล้วก็พยายามเห็นความคิดคืออย่าไปหลงเข้าไปผมก็คิดว่าเออถ้าผมเห็นความคิดแล้วปล่อยไปไอ้กระแสะความคิดซึ่งมีความทุกข์ทั้งอย่างอยู่ในนั้นถ้าผมไม่ไปจับรมันนะผมก็มีโอกาสที่จะไอ้ละสิ่งต่างๆ่างไอ้โลภโสนมหะแล้วก็ขันห้าอยู่ในนั้นนะมลุดไปก็ทำไม่สามารถผม ความทุกข์ไปได้มากนี่เป็นขั้นต้นนะแล้วผมก็พยายามทําแบบนั้นผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับนอกเหนือนั้นซึ่งมันถือว่าเป็นโง่มากนะ ม, มีผมแต่ผมจับไอ้จุดนี้นะแล้วผมก็พยายามปฏิบัติโดยใช้สติตลอดเวลานะฮะทั้งหยาบและก็ละเอียดดูกายขณะดเดียวกันผมก็ดูจิตพยายามทําให้มากที่สุดนะฮะพยายาม เห็นหรือไม่ก็หลงละรู้เห็นหรือไม่ก็หลงละรู้นะเนี่ยขณะนี้ผมทำตลอดเวลาแล้วผมอยากรู้ว่าการกระทำของผมเนี่ยสามารถที่จะทำให้ผมเกิดปัญญาและในที่สุดสามารถเห็นธรรมแล้วก็ละทุกข์ได้หรือไม่ครับผมไม่มีความรู้อย่างคำถามนี่นะผมไม่มีความรู้เพราะว่าผมไม่ได้ศึกษามาพี่พี่มาถูกทางแล้วือถูกแล้วคือ ที่พี่บอกว่าเห็นจิตแล้วก็เห็นโลกก่อหลงจริงๆดูความคิดอันเดียวพออเพราะว่าเพราะว่าคือผมรู้ว่ามันอยู่ในนั้นแต่ผมไม่ไปจับคือมันซ่อนมากับโลกก่อหลงมันซ่อนอยู่ในความคิดถ้าเห็นความคิดมันตายมันก็ตกมาตายมันมาไม่ได้มันพิกกี้แบ็กมันไม่ได้แล้วไม่มีตัวพาหะเข้ามามันก็ดูแค่นั้นอ่ะเพราะนักคำถามของผมไอ้คิดทําแบบเนี้จะทําให้ผมมีโอกาสไหมได้พี่ก็ดูเนี่ยดูว่า ความเปลี่ยนแปลงในเกิดเกิดเนี่ยสังขารมันเกิดมาจากไงความคิดมันไปปรุงใช่ไหมเนี่ยบางบางทีมันไม่ทันนะคือถ้าแต่เห็นความคิดตลอดมันก็จบแล้วนี่มันไม่เห็นเนี่ยมันมันแวบไปแล้วเลยมันมันมันเร็วมากอะอที่บอกเมื่อกี้มันภายในมันหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้อ่าดีอันนั้นดีอะดีก็ต้องมีจิตที่มีสมาธิไม่นั้นมันก็จับไม่ทันะคนเรานี่มันเลยหลงเป็นอาทิตย์นะก็เห็นหน้ารูปคนเพื่อเราในหนังสือยื่อไอรีวิเนี่ย โคมันเป็นอาทิตย์เพราะมันยืมเงนแล้วไม่คืนเอาว่าเพื่กบอกมันตายไปเดียวปีแล้วจบโอเคยกคไจะไปเงินลคิดจะไปแก้แค้นเนอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ทันความคิดแล้วมันทำให้เราอยู่ในเป็นเป็นสังขารไงมันทำให้เราทุกเวทนานี่มันเห็นรูปตอนนั้นมันก็เกิดแล้วพัศ เวทนาเนี่ยมันเกิดตรงนั้นแล้วแความคิดมันก็ปรุงแต่งไปแล้วถ้าเราจับความคิดทันเนี่ยอย่างสมมติเรากุ้มใจเนี่ยเ<ม>ออญาติเราป่วยลงมาบลเราก็ทํางานปกติหรือปฏิบัติธรรมเดี๋ยวแวบไ ป, ไปอ้าวไปคิดถึงมันเลยครับเรารู้ด้วยบปว่าหลงไปแล้วมันกลับมาแล้วไม่ต้องไปคิดไปไปดึงกลับเรารู้แปลว่ามันรู้แล้วไม่ต้องไปดึงแล้วมันกลับมาแล้วเนะแต่ว่ามันจะเกิดเงี้ยห้าหกคนเจ็ดผลถ้าเราสติเราไว้ พอมันแวบไปเราจับโอ้เมื่อกี้มันขาดไปแล้วเนี่ยอ้วเมื่อกี้จะมันจะคิดมันคิดไม่ได้แล้วเพราะว่าเรารู้เป็นความคิดอะไรอย่างเงี้ยคือมันเกิดปัญญาแล้วอ่ะมความรู้สึกผันโง่โง่โ <นะ S 1> ง่ง <นะ S 1> เพราะความคิดสรุปง่ายๆตามความรู้สึกของผมนะครับที่ผมทําไปแบบเนี้ยตอนเช้าๆ เ, เ, เวลาผมเดินตรงกรมนะฮะโดยดูกายนะฮะเดินจงกรมผมจะเห็นว่าหลงแล้วรู้เนี่ยเกิดประมาณ ในชั่วโมงเนี่ยเกิดประมาณสักยี่สิบครั้งเลยนะผมจับความคิดได้ทุกอืมนผมไม่อยากรู้ว่าเอ๊ะทำแบบนี้เนี่ยจะทําให้ผมเจริญหรือเปล่าหรือว่าโง่เง่าไม่ควรจะทําถูกแล้วพี่คือถ้าที่จับความคิดได้ตลอดเนี่ยมันก็เป็นอรหันต์ไปแล้วมันยังไม่เป็นถูกทางแล้ยที่บอกว่าที่พี่ว่าอภิชากับวิชาคืออะไร มันโง่เพรไม่เห็นม่าโดนความคิดมันย้อมสมองอยู่ตลอดเวลาแล้วทำให้กุ้มใจเครียดเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นว่ามันโดนความคิดเนี่ยหลอกเราถ้าเราเห็นว่ามันหลอกเรามันก็จบตรงนั้นน่ะมันแค่จับหนูที่มันวิ่งเพ่นพ่านได้มันออกมาวิ่งข้างนอกแต่ยังอ่แตงไปจ้องที่รูนี่มันไม่ออกมาหรอกหนูมันเก่งพนออกมาเองอ่ะพอออกมาเองเนี่ยเรากําลังหลงเนี่ยมันจับได้เพราะมันหนีเข้ารูไม่ทัน มันตดฆ่าตายตรงนีตรงนี้ดีที่สุดเพราะพอมันกลับรังไม่ได้เนี่ยเราก็รู้รู้ว่ามันเป็นเพราะอัเนี้ยตอนนั้นเกิดปัญญาแล้วว่าทั้งหมด ท, ที่เราวุ่นวายเพราะไอ้ต้นหนูต้นนี้ผมยังไม่เห็นปัญญาเลย ถ, ถ้าเห็นแล้วมันก็ขาดนะถ้ามันยังไม่ขาดก็ยังไม่มีปัญญาถ้าแค่เห็นแบบๆบบบบนี้มันยังไม่ค่อยชัดสรุปแล้วผมทำได้นะถูกถกทุกคนทาได้พายะยังทําได้ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, Thank you. Thank you. you. Thank you.